ขอนอบน้อมต่อพระนตนะตรายกราบคุณแม่ชีนะครับสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ผมก็มีโอกาสมา บรรยายธรรมะให้ท่านทั้งหลายได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับหัวข้อธรรมะที่จะบรรยายให้ฟังในวันนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นหลักธรรมสำคัญอีกหลักธรรมชุดหนึ่งนะที่เราฟังธรรมะฟังธรรมะเนี่เราก็ฟังเพื่อให้เข้าใจสัจธรรมเข้าใจความจริง ก็ความจริงที่พระพุทธเจ้าของเราได้ประกาศเอาไว้ก็เรียกรวมๆก็เรียกว่าธรรมะนั่นแหละนะคำว่าธรรมะก็หมายรวมทั้งความเป็นจริงที่มีอยู่สิ่งที่มีอยู่จริงๆก็มีรูปนามขันห้าพวกนี้เป็นสังขารเป็นสังคตะธรรมเป็นสิ่งที่เป็นไปตามเงื่อนไขตามปัจจัยอันนี้เป็นส่วนที่มันมีเงื่อนไข บีบบังคับให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งพวกเราก็อยู่ในโลกสังขารก็มีตัวแทนคือร่างกายจิตใจของพวกเราเนี่แหละรวมทั้งคนอื่นๆก็คือพวกขันห้าพวกสังขารอีกส่วนหนึ่งก็เป็นพระนิพพานเป็นอสังขตธรรมอันนี้ก็คือตัวธรรมะตัวสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าของเราได้ขนพบนะทีนี้พวก ธรรมะเหล่านี้มันก็มีกฎเกณฑ์ของมันมีธรรมดามีธรรมชาติของมันมีความเป็นไปของมันนะพระพุทธเจ้าของเราก็ได้ตรัสรู้กฎเกณฑ์เหล่านั้นด้วยนะนอกจากนั้นพระองค์ยังได้รู้วิธีที่จะปฏิบัติต่อธรรมะเหล่านั้นให้ถูกต้องในเมื่อธรรมะมันเป็นอย่างนั้นมีกฎเกณฑ์อย่างนั้นอย่างนั้นพวกเราที่เกิดมาเนี่ยนะ ต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการมานะอย่างนี้ทานองนี้ในเมื่อสังขารมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันเกิดตามเงื่อนไขตามปัจจัยอย่างนี้อย่างนี้เราจะปฏิบัติอย่างไรนะพระนิพพานมันก็มีอยู่แล้วเราจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะเหมาะสมจึงจะถูกต้องพระองค์ก็ตรัสรู้ทั้งหมดพระองค์ก็นํามาแสดงบอกพวกเราคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกว่าธรรมะนั่นแหละนะ สิ่งที่พระองค์ประกาศถ้าพูดในแบบเป็นหลักธรรมเป็นหัวข้อเพื่อให้มันสมบูรณ์สมบูรณ์ตามที่ว่าเมื่อกี้นี้ก็คือธรรมะก็หมายถึงทั้งสิ่งที่ทมีอยู่จริงเป็นจริงมีทั้งกฎเกณฑ์ของความจริงและเราผู้เกี่ยวข้องเนี่ยต้องปฏิบัติยังไงจึงจะได้รับประโยชน์สูงสุดนะพระองค์ก็มาวางเป็นระบบขึ้นมาเป็นสัจธรรมคืออริยสัจสอันนี้หลายท่านก็ฟังอยู่บ่อย ก็นะเป็นหลักธรรมที่พระองค์ประกาศแก่พวกเราที่เป็นสาวกเนี่ยพระองค์ไม่ได้มาประกาศความดีแต่มาประกาศสัจธรรมนะเราโดยมากก็ส่วนใหญ่ก็เรียนก็เรียนได้ความดีเช่นได้ได้ทานบ้างได้ศีลบ้างได้สติสมาธิบ้างก็ดีอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ดีจริงเพราะว่าสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าของเราไม่ได้ประกาศพระพุทธเจ้าของเราไม่ได้ประกาศความดีแต่ประกาศสัจ ประกาศอริยสัจนั่นเองนะเพวกเราก็เลยต้องพากันปฏิบัติให้มันได้รับประโยชน์สูงสุดเช่นให้ทานก็เพื่อจะได้เห็นสัจจะนะรักษาศีลก็เพื่อจะได้เห็นสัจจะนะฝึกสติสมาธิก็เพื่อเห็นสัจจะคือได้รับมรดกที่พระพุทธเจ้าประทานไว้นะบางคนก็ให้ทานก็เพื่อไปสวรรค์อย่างนี้มันก็ ไม่ได้รักประโยชน์เท่าไหร่ก็ได้เกิดแก่เจ็บตายเหมือนเดิมนะพระองค์ประกาศสัจจะแต่เราไปได้สวรรค์อย่างนี้มันก็มันก็ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่เรื่องเดียวกันคนละเรื่องกันนะมันครทำสมาธิก็เพื่อเอาจิตสงบให้ได้รับความสุขนะก็ไม่ได้เห็นสัจจะของเขาทักทีมันก็ลำบากเรียก ว, ว่ามันไม่ตรงเรื่องอยู่เราก็เลยต้องเข้าใจให้ดีเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าของเรา ได้นำปาประกาศเอาไว้ผ่านประสูตรนั้นประสูตรนี้ยาวบ้างสั้นบ้างหรือเป็นคาถาสั้นๆแต่เนื้อหาที่พระองค์ต้องการประกาศออกมาก็คือสัจจานะเองสัจจะทั้งสี่แม้จะเป็นคำเพียงสั้นๆก็พระองค์ต้องการประกาศสัจจานั่นแหละประกาศให้เราเข้าใจว่านี่มันเป็นความจริงนะมันเป็นสัจธรรมนะเช่นแก่นี้มก็เป็นสัจธรรมนะอันนี้ก็มันก็มีอยู่แล้วแหละ แต่ว่าพวกเราบางทียังไม่เห็นว่ามันเป็นสัจจะยังเห็นว่ามันเป็นเราอยู่หรือเป็นของไม่น่าจะเกิดกับเราน่าจะไปเกิดกับคนอื่นหรืออื่นๆเดียวว่ามันยังไม่ได้เห็นสัจจะนะทั้งทั้งที่สัจจะนี่ก็เป็นธรรมะคือมันก็มีอยู่แล้วนะี่ยมันเป็นสิ่งที่มีอยู่นะนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าของเราได้วางระบบขึ้นแล้วก็สอนพวกเราเพื่อให้เข้าใจง่ายถึง สัจจะถึงธรรมะที่มีจริงเป็นจริงและเป็นกฎเกณฑ์อย่างนั้นและข้อปฏิบัติที่เหมาะสมถูกต้องนะก็เพื่อให้เข้าใจง่ายก็คือให้เข้าใจในแบบสัจจะทั้งสี่แบบอันที่หนึ่งก็คือทุกขสัจนะทุกก็คืออุปทานขันต์ตั้งห้าคือตัวพวกเรานี้ทุกคนเป็นขันต์ห้าเป็นทุกข์ซึ่งมันล้วนเป็นของที่ไม่มีตัวตนไม่มี สัตบุคคลเป็นเพียงรูปธรรมนามธรรมเป็นเพียงรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันแล้วก็วิญญาณขันเบื้องต้นเราต้องยอมรับก่อนว่ามันเป็นสัจจาก่อนที่เกิดนี่ก็เป็นสัจจะไม่ใช่คนที่แก่นี่ก็เป็นสัจจะที่เจ็บป่วยนี่ก็เป็นสัจจะที่ตายนี่ก็เป็นสัจจะที่โสกะปริเทวะก็เป็นสัจธรรมเช่นเดียวกันเป็นสัจจะข้อไหน ก็เป็นทุกขสั์สรุ ป, ปง่ายๆก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีขึ้นเป็นขึ้นมันต้องเป็นสัจจะอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอโดยธรรมชาตินะอันนี้พอยอมรับได้แล้วก็ต้องมาขยายต่อไปว่ามันเป็นสัจจะอะไรเพื่อให้มันชัดเจนนะอย่างโดนดานี้ก็ต้องเป็นสัจจะแต่พวกเรานี้ก็หลบไปหนีไปไม่ยอมรับว่ามันเป็นสัจจะนี่อันนี้ก็คือไม่ได้รับความจริงนะ โดนด่าโดนนินทานี่ก็เป็นสัจธรรมเจ็บป่วยนี่ก็เป็นสัจธรรมสุขก็เป็นสัจธรรมทุกข์ก็เป็นสัจธรรมเป็นทุกขสัจเป็นสัจจานั่นเองนะอันนี้ทํานองนี้แม้กระทั่งเรานั่งสมาธิแล้วมันไม่สงบพวกนี้มันก็เป็นสัจธรรมเหมือนกันเป็นสัจจะแต่พวกเรามักจะไม่ชอบอันนี้เรามักจะชอบว่านั่งสมาธิมันสงบมันจึงเป็นสัจจะถ้าไม่สงบมันไม่เป็นอันนี้มันเป็นทิฏฐินะเนี่ย เป็นทิฏฐิคือความต้องการของเราความปรารถนาของเรานะก็ทิฏฐิเนี่ยมันก็จะเอาตามที่มันชอบเอาตามที่มันพอใจนะอย่างนี้ถ้าโดนด่ามามีคนด่ามันก็จะไม่ยอมรับถ้าทิฏฐิก็คือมันจะเอาแต่เสียงชมอย่างเดียวเสียงด่าต้องไม่มีทำวิธีอย่างไรจึงจะไปอยู่ในโลกที่ไม่มีอะไรรบกวนเลยมันก็คิดไปอันนั้นคือทิฏฐินะอันนี้ ทำนองนี้จึงต้องรู้จักสัจจะให้ดีๆพระพุทธเจ้าของเรามาประกาศสัจธรรมข้อที่หนึ่งคือทุกขสัจนะข้อที่สองก็คือสมุทัยสัจทุกขสมุทยัยสมุทัยก็คือตัวตันหาตันหาความอยากความคาดหวังติดข้องต้องการด้วยความไม่รู้อะไรก็ตามที่เราไม่ได้กําหนดรอบรู้เราจะติดข้องในสิ่งนั้นอันนี้เป็นเรื่องธรรมดามากทุกคนก็มีด้วยกันทั้งนั้น ถ้าเราไม่ได้กำหนดรอบรู้ร่างกายว่ามันเป็นทุกข์เราก็จะติดร่างกายไม่ได้กาหนดรวบรอบรู้อาหารว่าอาหารมันคืออะไรทานไปทำไมทานเพื่ออะไรมันมีความเกี่ยวข้องอะไรกับเราอาหารเนี่ยอาหารมันเกี่ยวข้องกับเรามันแค่ร่างกายก็คือมันเป็นปัจจัยให้ร่างกายอยู่ได้เท่านั้นเองแต่ถ้าไม่ได้กำหนดรู้อาหารเราก็จะติดอาหารก็คือตัณหานั่นแหละตัณหามันก็เลยเกิดจากอวิชชาคือ เรายังไม่กําหนดรอบรู้สิ่งต่างๆมันก็จะเกิดตัณหาขึ้นเราเกิดมาในโลกโลมันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละมันก็เป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันก็ไม่ควรที่จะไปเพลิดเพลินไม่ควรไปติดข้องนะเพราะมันไม่มีของหน้าเพลิดเพลินอยู่แล้วมันธรรมชาติเป็นอย่างนั้นแต่คนที่ไม่ได้กําหนดรู้มันก็จะติดข้องแม้แต่ที่นอนเนี่ยที่นอนเนี่ยหลายท่านก็ติดที่นอนจน พูดถึงที่นอนปุ๊บนี่ก็น้ําลายเริ่มมาแล้วนะหมอนอะไรเสือมาเพียบนะอย่างนี้ทํานองนี้อันนี้มันก็เป็นตันหามันติดมันข้องทุกคนก็มีหมดอันนี้ก็เป็นสัจจะนะนี่ก็เป็นสัจจะนะแต่พวกเรานี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยยอมรับเวลาที่เกิดความติดข้องขึ้นเรามักจะไม่ยอมรับเราพยายามเป็นคนดีเราพยายามเป็นคนนักธรรมะธรมโมเป็นคนที่จะหลุดพ้นอะไรก็คิดไปนะ เขาคิดไปทั้งๆ ท, ที่ความติดข้องนี้เป็นสัจธรรมนะเป็นสมุทยสัตว์เราต้องยอมรับก่อนถ้าไม่ยอมรับนี่ไม่มีวันหลุดพ้นนะบางท่านนี้พยายามเป็นคนดีนะแต่ไม่ยอมรับสัจธรรมพยายามเป็นคนดีว่าคนดีจะต้องไม่ติดไม่ข้องในอาหารกินอาหารจะต้องไม่รู้สึกอร่อยต้องไม่ติดที่ดินที่นอนต้องอะไรก็คิดไปนะอันนี้แท้ที่จริงความติดข้องมันก็เป็นสัจธรรม ความรักพวกนี้เป็นสัจธรรมนะเป็นสัจจะข้อไหนล่ะก็เป็นสมุทัยสัตว์ทุกคนก็มีนะทุกท่านต้องไปยอมรับก่อนนะต้องไปยอมรับถ้าไม่ยอมรับมันก็จะไม่หลุดพ้นสักทีนะพวกเราก็จะไปพยายามเป็นคนดีอย่างนู้นอย่างนี้ก็วุ่นอยู่นะยังไม่เห็นสัจธรรมนี่จึงต้องรู้จักว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้มาประกาศความดีนะพระพุทธเจ้าประกาศสัจจะก็คือประกาศสัจจะสี่ในหลายท่านก็ได้ยินบ่อยเนาะ จำเป็นแม่นตรงนี้นะไม่อย่างนั้นเราจะได้แต่ความดีไปแต่ไม่ได้สัจธรรมไอ้คนดีนี่มันก็ทุกข์เหมือนกันนะแล้วมันก็ตายเหมือนกันนะแล้วมันก็เจ็บปวดเหมือนกันเจ็บปวดพอๆกับคนเลวนั่นแหละคนดีดีไม่ดีมันเจ็บปวดกว่าด้วยซ้าไปแต่คนเห็นสัจธรรมเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับดีไม่ดีแล้วจะไม่ดีก็ได้แต่ให้เห็นสัจจะแต่โดยทั่วไปแล้วคนเห็นสัจจะมันต้องเป็นคนดีก่อนโดยธรรมดานะะมันเป็นฐานของมันนะฮะ ทุกท่านจึงต้องรู้จักให้ดีดให้ทานเนี่ยก็ต้องมุ่งให้เห็นสัจธรรมนะต้องมุ่งให้ถูกที่ถูกทางของมันรักษาศีลก็เหมือนกันทําสมาธิเจริญปัญญาฟังธรรมนี่ก็เหมือนกันต้องมุ่งไปที่สัจธรรมปฏิบัติธรรมก็ต้องมุ่งไปที่สัจธรรมนะก็คือทุกเนี่คืออุปทานขันหานี่มันเป็นทุกมีอะไรเกิดขึ้นต้องยอมรับก่อนว่ามันเป็นสัจรรนะ ก็อย่าลืมไปหักตัวเองบ่อยๆฝึกบ่อยๆฝึกจากการเดินจงกรมนี้ก็ได้เดินแล้วมันไม่สงบก็ให้ยอมรับก่อนว่ามันเป็นสัจจ์แล้วมันเป็นสัจจ์ข้อไหนล่ะข้อค่อยว่ากันนะอย่าไปวุ่นวายกับมันมากหลายท่านก็วุ่นวายเปลี่ยนมายี่สิบอาจารย์แล้วก็ยังไม่ค่อยได้เรื่องก็เพราะมันไม่ได้เรื่องอยู่นั่นแหละแล้วมันจะได้เรื่องยังไงอับพวกไม่ได้เรื่องมันก็ดีๆชั่วๆอยู่เนี่ยสงบไม่สงบวุ่นๆวายๆอยู่เนี่ยก็มันไม่ยอมรับสัจจ์มันไม่เอาสััจจะมนเอาแต่ สงบเอาแต่ความดีเอาแต่ถูกอย่างเนี้ยนะก็เอาแต่ถูกเดี๋ยวมันก็ผิดอีกแหละมันก็วุ่นวายมันก็ลําบากเนะี่ยหลายท่านก็เนะี่ยหาอาจารย์ที่ดีที่สุดจนตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยนะคงจะเป็นอาจารย์สุภีละมั้งงมโโงเลย น, น, นะงมงวดีคนเรานี่มันไม่รู้เรื่องกันหาไปดิหานี่คือของดีของดีมันไม่ไม่มีหรอกของดีสมบูรณ์แบบเดี๋ยวเขาโฆษณามาโอ้โหนี่ดีที่สุดแล้วสักหน่อย สอสมปีเอา้ามีดีที่สุดอันใหม่ใหม่แล้วดีมันใหม่ๆหม่แล้ว ม, ม, มันเป็นโลกสังขารนะนนี้จึงต้องรู้จักนะต้องรู้จักว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้มาประกาศความดีแต่มาประกาศสัจจะให้เราจําไว้นะก็ประกาศสัจจะสีนั่นแหละแบบที่พวกเราได้ยินบ่อยๆก็สัจจะก็เริ่มต้นต้องยอมรับก่อนว่ามันเป็นความจริงนะเป็นสัจจะโดนด่าปุ๊บเนี่ยเราต้องยอมรับให้ได้ว่านี่มันเป็นสัจธรรม หน้าที่ของเราก็แค่เอาการไม่ยอมรับออกเท่านั้นเองไม่ได้มีหน้าที่อันอื่นนะไม่ได้มามีหน้าที่ทำให้มันสงบแต่มามีหน้าที่เอาการไม่ยอมรับออกไปเท่านั้นแหละก็คือเอาทิศทีของตนออกไปที่จะเอาแต่ตามอำเภอใจทั้งหลายนะอย่างนี้ทานองนี้นะฉะนั้นทุกท่านก็อย่าลืมพกกากันฝึกนะโดนด่าบ่อยๆจะได้ยอมรับว่ามันเป็นสัจธรรมทุกบ่อยๆลาบากบ่อยๆ จะได้ยอมรับนะไม่ได้เหมือนที่คิดบ่อยๆเนี่ยอย่างนี้นะก็จะได้ยอมรับถ้ายอมรับเราก็จะข้ามพ้นจากมันไปได้ถ้าไม่ยอมรับนี้ไม่มีวันข้ามพ้นไปได้เกิดในโลกถ้าไม่ยอมรับโลกก็จะต้องเกิดไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดมาในโลกแล้วยอมรับโลกว่ามันเป็นสัจธรรมนะมันเป็นเท่านี้แหละโลกมันมันเป็นสังขารมันเป็นทุกทุกขสัตนะมันก็จะพ้นไปได้ นะอย่างนี้นี่ก็ทุกขสัตว์สมุทัยสัตว์ก็คือตัณหาความติดข้องเพลิดเพลินนี่ก็เป็นสัจธรรมนะความรักความติดความข้องเนี่ยสิ่งใดที่เราไม่ได้กำหนดรอบรู้จะติดติดข้องสิ่งนั้นอันนี้ก็เป็นสัจจะนะอันนี้ไม่ว่าจะทำสมาธิถ้าเราไม่กำหนดรอบรู้สมาธิไม่กำหนดรอบรู้ความสงบไม่รู้จักว่าความสงบนั้นมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของที่ไม่น่าเพลิน เราว่ามันอยู่ไม่นานแต่เราไม่กําหนดรอบรู้มันเราก็จะติดสมาธิมันก็เรื่องธรรมดาความติดนี้ก็เป็นสัจธรรมนะอันนี้มันก็เป็นปกติของมันนะเรียกว่าเป็นสมุทยสัตว์เราจึงต้องรู้จักตัณหาว่าเป็นเหตุเกิดทุกข์รู้จักความสิ้นตัณหาความปล่อยวางเนี่ยว่าเป็นภาวะไม่มีทุกข์นะการจะหมดตัณหาได้มันก็ต้องไม่เพลินซะก่อนไม่เพลิน ที่ไม่เพลินก็เป็นเพราะรู้จักว่ามันไม่มีอะไรน่าเพลินนั่นแหละที่รู้จักว่าไม่มีอะไรน่าเพลินเราก็ต้องย้อนกลับไปรู้จักว่ามันมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์มีแต่ของไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนั่นแหละมันก็จะไม่เพลินไม่เพลินมันก็ไม่มีตัณหามันก็สิ้นตัณหาไม่มีเหตุเกิดทุกข์ทุกข์ก็ไม่มีทุกข์ก็ไม่เกิดก็เรียกว่าดับทุกข์ทุกข์ไม่มีทุกข์ไม่เกิดเนี่ย นีก็เปสัจจะข้อที่สคือนิโรธสัจส่วนทางดําเนินทางปฏิบัติของพวกเราก็คืออยู่ในมักมักแ8นี้เป็นมักสัจเป็นหนทางข้อประพฤติปฏิบัติสําหรับพวกเราทุกคนนะการปฏิบัติที่อยู่ในมักก็คือปฏิบัติอยู่ในหลักของอริยสัจ ท, ทั้งสี่เราจเจริญสติสมาธิปัญญาจเจริญศีล สมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาทุกอย่างรวมประกอบกันขึ้นนี้เพื่อกำหนดรู้ทุกเท่านั้นเองเพื่อรู้จักทุกว่ามันเป็นทุกเพื่อรู้จักเหตุเกิดทุกว่ามันเป็นเหตุเกิดทุกและรู้จักความดับทุกว่ามันเป็นความดับทุกอันนี้คือตัวหลักของสัจจะคืออริยสัจสีนะฮะวันนี้ก็จะมาพูดให้ลึกลงไปอีกหน่อยนะสัจจะสีนี้เป็นโครงไว้นะ ทีนี้หลักในการพิจารณาเพื่อให้เห็นชัดในสัจจะที่มันเป็นไปอยู่ที่มันเป็นทุกเป็นต้นเนี่ยนะก็การจะเห็นว่ามันเป็นสัจธรรมมันต้องเอาความรู้สึกว่าเป็นตัวเราเป็นของเราออกไปจากระบบก่อนนะเพราะว่าไอ้ทิฏฐิเนี่ยความเป็นเราของเราเนี่ยมันจะขวางสัจธรรมไว้นะมันจะเอาตามใจชอบวิธีการที่จะเอาตัวตนอะไรออกไปเนี่ย เนื่องจากตัวตนมันไม่มีจริงหรอกมันเป็นแค่สมมติเท่านั้นเองส่วนความติดข้องในสมมุติความยึดถือต่างๆนี้มันเป็นทิฏฐิความเห็นผิดต้องเอาความเห็นถูกมาใส่แทนนะเราก็เลยต้องเจริญความเห็นที่ถูกต้องเข้าไปการเจริญความเห็นที่ถูกต้องนั้นก็มีหลายแบบหลายระดับด้วยกันวันนี้จะมาพูดให้ฟังถึงการพิจารณาปฏิจจสมุปบาทนะซึ่ง เป็นหลักธรรมสำคัญทุกท่านควรหัดพิจารณาบ่อยๆดูบ่อยๆสังเกตบ่อยๆมองบ่อยๆโดยเฉพาะท่านไหนที่ฝึกมีสติสัมปชัญญะดีแล้วเห็นรูปเห็นนามแล้วเห็นขันห้าแล้วเห็นความคิดต่างๆแล้วรู้จักภาวะต่างๆแล้วควรจะมองให้ลึกลงไปเพื่อที่จะได้เกิดปัญญาขึ้นให้แหลมคมขึ้นให้มันชัดเจนนะความชัดเจนนี้มันจะอยู่ในใจของเราวิธีการ ที่จะพิจารณาว่าเราเข้าใจเรื่องนั้นๆชัดเจนไหมก็คือเราถามใจตัวเราว่ามันชัดเจนไหมแจ่มไหมชัดไหมนะเอาจากเรื่องง่ายๆก่อนก็ได้เช่นเราพูดเรื่องบุญถามตัวเองว่าชัดไหมเรื่องบุญเข้าใจไหมบุญมันอยู่ตรงไหนนะหลายท่านก็อ๋อบุญอยู่ที่ใจแล้วมันหน้านตาเป็นยังไงบุญเนี่ยอย่างนี้ถามตัวเองให้ชัดเจนทาแบบนี้พูดแบบนี้มันเป็นบุญไหมเดินแบบนี้มันเป็นบุญไหม คิดแบบนี้มันเป็นบุญไหมนะให้มันชัดถ้าชัดก็คือมันมีความเจ่มแช่งชัดเจนนะเหมือนการจะเห็นธรรมะนี้มันก็ต้องเห็นชัดในใจของเรานั่นเองฉะนั้นทุกท่านก็อย่าลืมถามตัวเองบ่อยๆนะครับถามตัวเองถ้าเป็นในยุคพุทธกาลนี้พระพุทธเจ้าก็จะถามให้เวลาที่ใครพร้อมจะรู้ธรรมะพระองค์ก็จะไปแสดงธรรม พร้อมจะบรรลุธรรมเราจะไปแสดงให้แล้วก็ไปถามให้ไปถามว่าไอ้นี้มันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงเราก็จะได้ตอบได้นะแต่ตอนนี้ไม่มีใครถามให้เราเราต้องถามตัวเองถามตัวเองนะก็สูงสุดก็คือเพื่อจะเห็นสัจธรรมทุกท่านจะต้องรู้จักว่าเราปฏิบัติธรรมหรือฟังธรรมหรือทำอะไรต่างๆนี้เพื่อเข้าใจสัจจะเพื่อยอมรับ เพื่อรับสัจจะนะพอรับได้แล้วเอ๊มันเป็นสัจจะไหนก็ให้มันละเอียดลงไปนะอย่างนี้ทํานองนี้วันนี้ก็จะมาพูดให้ฟังเพื่อจะเป็นวิธีในการพิจารณาให้ละเอียดลงไปให้เห็นว่ามันเป็นสัจธรรมมันเป็นแต่สัจจะเป็นความจริงที่ไม่เกี่ยวกับใครไม่เกี่ยวกับของใครในเมื่อมันเป็นสัจจะมันก็จะเป็นของแบบกลางๆเป็นของแบบธรรมดาเป็นของแบบธรรมชาติไม่เกี่ยวกับ คนนั้นคนนี้ไม่เกี่ยวกับรักกับชังไม่เกี่ยวกับเขากับเรามันเกี่ยวกับว่ามันเป็นอย่างนั้นของมันนะการที่จะเข้าใจตรงนี้ได้ดีต้องพิจารณาเรื่องปฏิจจสมุปบาทให้ได้นะฮะต้องพิจารณาจากง่ายๆก่อนจนกระทั่งละเอียดขึ้นไปนะโดยเฉพาะเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์ความเกิดขึ้นของทุกข์นี่มันมาอย่างไงความดับทุกข์มันมาอย่างไงนะ ปฏิจจสมุปบาทก็เลยมีอยู่สองข้างด้วยกันสองข้างสองสายนะก็หลักของปฏิจจสมุปบาทถ้าพูดแบบกว้างๆทางธรรมะท่านก็เรียกว่าอิทธปัจิยะตาคือความที่สิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้มันจึงมีขึ้นแต่ท่านคงท่องได้แล้วท่านไหนะยังท่องไม่ได้ก็ปเปิดหนังสือท่องเอานะว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น นะคำว่าสิ่งนี้กับสิ่งนี้ก็คือเหตุกับผลนั่นแหลนะคำข้างหน้าคือเหตุเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้คือเหตุสิ่งนี้จึงมีคือผลเมื่อเหตุมีผลจึงมนะีเพราะความเกิดขึ้นของเหตุผลมันจึงเกิดขึ้นมันเป็นอย่างนี้มันเป็นสัจธรรมเป็นธรรมชาติทุกท่านจึงต้องหัดบ่อยๆนะในชีวิตของเรานี้สิ่งที่เด่นชัดก็คือผลเหตุมันไม่เด่นชัด เราก็เลยต้องจับผลให้ได้ก่อนผลเช่นความแก่นี่มันเป็นผลความทุกข์ต่างๆนี่เป็นผลความเครียดเนี่ยเป็นผลการโดนด่านี่เป็นผลการโดนชมนี่เป็นผลจนกระทั่งนั่งอยู่นานๆแล้วก็ปวดหลังนี่ก็เป็นผลเหมือนกันนะฟังธรรมะไม่เข้าใจสักทีนี่ก็เป็นผลเหมือนกันมาจากเหตนะุผลนี่มันจะจับง่ายหน่อยนะถ้าจับยังไม่ได้ก็ทำอะไรนานๆมันก็จะเกิดผลขึ้นมาชั่วนานๆมันก็จะเลวมาก ก็จะเป็นทุกข์จนกระดึนดาเอานั่งนานมานก็จะเจ็บหลังปวดหลังอยู่นานนานก็จะแก่้าไปเรื่อยเห็นเป็นอย่างนี้เรียกว่ามันเป็นผลนะผลก็เลยมองดูง่ายกว่าเห็นง่ายกว่าเวลาแสดงในแบบสัจจะนี้พระพุทธเจ้าของเราจึงเอาทุกข์ขึ้นก่อนเพราะทุกข์นั้นมันเป็นผลอย่างนี้นะอันนี้แต่ถ้าพิจารณาในแบบปฏิจจสมุปบาทเมื่อได้ผลแล้วเราก็มองย้อนกลับมา ที่เหตุทุกท่านจึงต้องจำไว้นะมีฝ่ายเกิดเนี่ยเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อเหตุมีผลจึงมีเพราะความเกิดขึ้นของเหตุผลจึงเกิดขึ้นนะอย่างนี้นี่เขาเรียก ว, ว่าฝ่ายเกิดหรือฝ่ายมีต้องเป็นอย่างนี้เสมอจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะอย่างนี้ทำนองนี้นะจึงต้องรู้จักวิธีพิจารณาแล้วก็ต้องพิจารณาให้ถูกด้วยถ้าพิจารณาไม่ถูกมันจะยังไม่เกิดปัญญา นะถ้าพิจารณาถูกมันจะเกิดปัญญาขึ้นเช่นแกเราแก่เจ็บป่วยแล้วเอเจ็บป่วยนี้มันมีขึ้นมามันเป็นผลเพราะอะไรนะเมื่ออะไรมีความเจ็บป่วยจึงมีความแก่จึงมีพวกนี้นะทำสองนี้แต่ถ้าเราพิจารณามองดูก็จริงแต่ว่ามันไม่ไม่ถูกเรื่องของมันมันก็จะไม่เกิดปัญญาถ้าพิจารณาถูกเรื่องก็จะเกิดปัญญา วิธีการพิจารณาที่จะให้เกิดปัญญาได้ไวที่สุดก็คือฟังพระพุทธเจ้ามาแล้วก็พิจารณาให้เหมือนพระพุทธเจ้าเป๊ะเลยถ้ามันลงกับใจพอดีลงกับใจมาถึงใจยอมรับลงพอดีเปะ๊ะปัญญาก็จะเกิดขึ้นทันทีนะเช่นถ้าเรื่องแก่เรื่องตายปุ๊บนี่หลายท่านก็ท่องได้อยู่แล้วชาติปัจจยาชารามรณงโศกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสักนะ เพราะชาติเป็นปัจจัยพระชาติคือความเกิดขันห้ามารวมกันตาหูจมูกลิ้นกายใจมารวมในร่างนี้ปุ๊บมีเกิดเพราะเกิดเป็นปัจจัยแก่ก็เลยมีขึ้นนะความเกิดนี้มันเป็นเงื่อนไขของความแก่เป็นเงื่อนไขของความตายเป็นเงื่อนไขของโศกะของปริเทวะของทุกข์ของโทมนัสและของความขับแขนใจของความยากลําบากทั้งมวลทุกประการนะ ถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็แล้วก็พิจารณาตรงเป๊ะและใจยอมรับพอดีใจยอมรับนะก็ปัญญาก็จะเกิดทันทีเลยนะแต่ถ้าพิจารณาแล้วได้เหตุอันอื่นมันก็จะไม่ถูกนะฉะนั้นวิธีการก็คือเราต้องฟังไว้ก่อนหรือท่องไว้จําไว้แล้วก็ไปหัดหัดให้ลงกับคำสอนของพระพุทธเจ้านะเช่นทุกข์ขึ้นมายากลาบากในชีวิตเนี่ยอันนี้ก็เป็นสัจจะให้ยอมรับก่อน ไปทำงานก็ลำบากใช่ัหยลำบากก็เป็นสัจธรรมนะอย่างนี้เงินเดือนก็น้อยอันนี้ก็เป็นสัจธรรมอยู่ที่ไหนก็ลำบากอันนี้ก็เป็นสัจธรรมทำไมมันจึงยากลำบากแท้ทำไมทุกแท้ก็เพราะว่ามันเกิดมานะเพราะชาตินะมันจึงมีทุกต่างนานาเหล่านี้ขึ้นท่านใจยอมรับปุ๊บนี่มันก็จะเกิดปัญญาทันทีแต่ถ้าใจยังไม่ยอมรับมันก็จะยังไม่เกิดปัญญาท่านก็ต้องไปสอนมัน บอกมันให้มันยอมรับนะอย่างนี้ทำนองนี้นี่เป็นฝ่ายเกิดนะอย่างนี้ฉะนั้นด้านฝ่ายเกิดนี้เพื่อจะได้พิจารณาให้เห็นเด่นชัดให้เห็นที่มาของความทุกข์เนี่ยนะเราก็เลยต้องรู้จักหลักปฏิจจสมุปบาทเมื่อกี้เป็นหลักอิทธปพัจยตาแบบกว้างๆฝ่ายเกิดฝ่ายเกิดที่ให้นำเข้ามาพิจารณาก็คือ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 อุปทานจึงมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกปริเทวะทุกโทมนัตและอุปายาสะจึงมีนะบทนี้ทุกท่านต้องไปท่องให้ได้ก่อนก็คงท่องไม่ยากมั้งหลายท่านก็คงท่องได้อยู่แล้วนะพอท่องได้แล้วต่อไปต้องเอาไปพิจารณาเอาไปใส่ใจเอาไปสังเกตเวลาที่มี ความทุกข์เกิดขึ้นมีสภาวะเกิดขึ้นแล้วก็หัดมองให้เห็นในแบบนี้นะแบบเมื่อกี้นี้ที่ผมยกตัวอย่างหรือมีความรู้สึกอึดอัดขึ้นมานะความรู้สึกอึดอัดนี้เป็นเวทนาความรู้สึกอึดอัดนี้มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากคนนั้นโผล่มาคนนี้โผล่มาเกิดจากคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีอันนี้ผิดอยู่นะเพราะว่า ความรู้สึกอึดอัดนี่มันเป็นเวทนาเวทนามันต้องเกิดจากผัสสะนะมันก็จะเราต้องรู้จักถ้าพิจารณาถูกต้องและใจยอมรับมันจะเกิดปัญญาถ้าพิจารณาไม่ถูกจะไม่เกิดอันนี้วิธีการสังเกตง่ายๆวิธีการสังเกตนะฮะถ้าเรารู้สึกเครียดรู้สึกอึดอัดแล้วก็โอ้เป็นเพราะคนนั้นเป็นเพราะคนนี้เราจะไม่เกิดปัญญาสักทีเพราะว่าความรู้สึกมันไม่ได้เกิดจากคน ความรู้สึกเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากอารมณ์ความรู้สึกมันเกิดจากผัสสะอย่างนี้ถ้ารู้จักว่ามันเกิดจากผัสสะเนี่ยเอออย่างนี้ใช้ได้มันจะเกิดปัญญาเมื่อรดยอมรับปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดปัญญาขึ้นนะผัสสะทางตามีตามองเห็นกระทบรูปตารูปกระทบกันเกิดจากขวิญญาณสามประการรวมกันนี่แหละเรียกว่าผัสสะนะเพราะมีตาขึ้นมา มีตาเห็นมีโลกทางตาขึ้นความอึดอัดก็เลยมีขึ้นความสบายก็เลยมีขึ้นนะอย่างนี้เหมือนท่านนั่งฟังผมพูดตอนนี้ก็ฟังแล้วก็รู้สึกสบายนะที่สบายความรู้สึกสบายขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเพราะภาษ า, าภาษาทางหูมานะอย่างนี้หรืออึดอัดขึ้นมาฟังเสียงด่าเสียงอะไรต่อมีอะไรนี่ความทุกข์ความอึอดอัดเนี่ยก็ไม่ได้มาจากเสียงด่ามันมาจาก ผัสสะเหมือนกันฉะนั้นสบายหูกับไม่สบายหูเนี่ยค่าเท่ากันแหละมันเกิดจากผัสสะแบบเดียวกันเลยนะอย่างนี้แต่ในความรู้สึกของเราเนี่มันจะไม่เท่ากันพอมันไม่เท่ากันมันก็มีทิฏฐิเข้ามาประกอบมันจะไม่เกิดปัญญานี่อันนี้เป็นวิธีการในการพิจารณาในแบบปฏิจจสมุปบาทจะได้เอาไปใช้ทุกท่านก็อย่าลืมหัดไปพิจารณาดูให้ ดูสังเกตสภาวะที่เกิดขึ้นแล้วก็พิจารณามาหนึ่งขั้นในปฏิจจสมุปบาทเช่นมีเวทนาความรู้สึกสบายไม่สบายขึ้นมาก็มาจากผัสสะเราทานอาหารเนี่ยเปรี้ยวขึ้นมาเค็มขึ้นมาอันนี้ก็เกิดจากผัสสะไม่ได้เกิดจากน้ำปลานะฮะเค็มไม่ได้อยู่ที่น้ำปลาเค็มนี่มันเป็นเวทนาเป็นทุกขเวทนาเค็มอยู่ที่ไหน เค็มอยู่ที่ผัดสาถ้ากําหนดได้อย่างนี้จะเกิดปัญญาจะเห็นความไร้ตัวตนของความเค็มของความทุกข์ความไม่เที่ยงอยู่ไม่นานของความเค็มนั้นนะแต่ถ้าเห็นว่าความเค็มอยู่ที่น้ําปลาอันนี้มันจะเค็มอยู่ตลอดการแล้วมันจะเข้าใจผิดอยู่ตลอดการเพราะเรามีทิฏฐิอยูนะ่คือมันหลงอยูนะ่อย่างนี้ความเป็นจริงแล้วน้ําปลาขวดนั้นมันอาจจะไม่เค็มก็ได้เพราะ บางคนเขาอาจจะทาน้าปลาแล้วเป็นบ้ายัดน้าตาลใส่เข้าไปมันเลิกเค็มไปตั้งนานแล้ว อ, อย่างนี้เป็นต้นอันนี้สรุปว่าเวทนามันเกิดจากผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีนะเหมือนเรานั่งสมาธินั่งไปนั่งมาก็ปวดแข้งปวดขาเนี่ยเจ็บแข้งปวดขานี้ไม่ได้เกิดที่ขามันเกิดที่ผัสสะนะเท่านั้นแหละไม่มีปัญหาอะไร ขาดสารก็เป็นนามธรรมเวทนาก็เป็นนามธรรมส่วนขาเป็นรูปธรรมมันไม่เกี่ยวกัน่ะไม่เกี่ยวกันแต่ในความรู้สึกของพวกเรามันจะเหมือนปวดอยู่ที่ขาซึ่งมันนี้เป็นความเห็นผิดเห็นผิดเพราะขามันไม่ได้ปวดขามันปวดไม่ได้ขามันเป็นรูปธรรมมันก็เหมือนท่อนไม้ท่านั้นเองมันปวดไม่เป็นหรอกเดี๋ยวสักหน่อยวิญญาณไม่อยู่แล้วอะไรแล้วมันก็เขาเอาไปหักไปอะไรมันก็ไม่เห็นเป็นไรมันก็อย่างตอนนี้มันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แต่ที่มันเจ็บมันปวดมันเกิดจาก ผัสสะนั่นเอง อ, อย่างนี้ทำตรงนี้นะครับนี่ให้ทุกท่านได้รู้จักที่มันมีผัสสะก็เพราะมีอายตนะหกนั่นแหละยังมีตาดีอยู่หูดีอยูอ่ฉะนั้นที่รู้สึกอึดอัดได้อยู่เนี่ยเป็นเพราะตาท่านดีอยู่เป็นเพราะหูท่านดีอยู่ที่รู้จุดเจ็บปวดทั้งแข้งขาได้ดีอยู่ก็เพราะว่ายังมีประสาทกายดีอยู่มันก็เลยเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะได้ ทนั้นเองนะถ้ากายประสาทระบบประสาทมันพังลงก็ไม่มีผัสสะก็ไม่มีความรู้สึกก็เท่านั้นแหละไม่ได้มีอะไรนะอันนี้ก็อย่าลืมไปหัดมองดูทุกท่านก็คงเคยเจ็บเคยปวดอยู่บ้างแล้วเคยสบายใจไม่สบายใจเคยอึดอัดอยู่บ้างแล้วบ่อยๆ อ, อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ก็ยังหลงหลงอยู่ยังงง ง, งอยู่ยงงนะ่งงนะ การปฏิบัติเนี่ยถ้าพูดถึงระดับสูงแล้วก็เอาเรื่องตัวเองนี่แหละมาพิจารณ า, าจึงต้องมีสติสัมปชัญญะให้ดียิ่งมีสมาธิด้วยก็ยิ่งดีเมื่ออันใดเกิดขึ้นเราจะได้จับได้แล้วก็ไปพิจารณาให้เห็นเงื่อนไขปัจจัย น, นี่หลักปฏิจจสมุปบาทนี้จะเด่นในแง่การพิจารณาให้เห็นความไม่มีตัวไม่มีตนเห็นสัจธรรมได้รวดเร็วเพราะว่ามันจะเกิดปัญญาได้ไว นะจะได้เห็นผัสสะมันก็เป็นของไม่เที่ยงฉะนั้นเบทนานี่มันจะเที่ยงก็เป็นไปไม่ได้นะอย่างนี้หรือพิจารณาเลยไปอีกหน่อยที่มีผัสสะได้ก็เพราะว่ามีอายตนะทั้งหมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่มีตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่นะตามันก็ไม่ได้อยู่ตลอดกาลนานที่ไหนมันก็สักหน่อยมันก็พังแล้วฉะนั้นสิ่งต่างมันจึง เป็นของไม่เที่ยงอยู่แล้วมันอยู่ไม่นานอยู่แล้วอยู่ไม่แน่ไม่นอนแต่ถ้าพิจารณาไม่ถูกเนี่ยจะไม่เกิดปัญญานะบางทีเหมือนคล้ายๆจะถูกแต่ผิดก็มีอย่างเช่นว่าเมืองไทยเรานิยมสอนว่าอ้าวทากรรมดีทํากรรมดีแล้วจะมีความสุขนี่ก็ว่าไปทํากรรมชั่วแล้วจะเป็นทุกข์อันนี้ก็ผิดทำให้มันผิดมันไม่ถูกนะนะแล้วยังไงมันถึงจะถูกมันต้องให้ลึกลงไปถ้าพูดแบบสมมติเหมือนก็พอได้ แต่นี้มันต้องพูดแบบศัจธรรมนะฮะบุญบาปน yes, ี right ่มันเป็นสังขารอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณมันไม่ได้เป็นปัจจัยให้เกิดสุขทุกนะบุญบาปนี่มันเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณมันไม่ได้เป็นปัจจัยให้เกิดสุขทุกขสุขนี่มันเกิดจากผัสสะทุกมันเกิดจากผัสสะเฉยเยมันก็เกิดจากผัสสะมันไม่ได้เกิดจากบุญบาปนะแต่เราไปพิจารณาโอ้ยบุญทําให้เกิดสุข บาปทั้งไม่เกิดทุกข์เราก็เลยวนอยู่จนถึงทุกวันเนี่ยได้แต่บุญแต่บาปอยู่นั่นไม่ได้สัจธรรมสักทีหนึ่งเนี่ยอันนี้คือเวลาพิจารณาไม่ถูกมันจะไม่ได้สัจธรรมมันจะไม่เห็นความจริงได้ระดับสมมุติ น, นะได้ดีได้ดี ด, ด, ดีไหมก็ดีอยู่ก็ไม่บาปได้แต่ก็ทุกอยู่นั่นแหะก็ได้ดีไงได้ดีเดี๋ยวก็ชั่วจริงละ ว, วนเนี่ยอย่างนี้ทุกท่านจึงต้องหัดพิจารณาให้มันได้สัจจะให้ได้ ท่านมองเห็นเนี่ยเป็นวิญญาณเป็นจักรูวิญญาณมองเห็นอันนี้คือผลของกรรมนะผลของบุญบุญเนี่ยนะสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณได้ยินเนี่ยเป็นผลของสังขารผลของบุญของบาปนะได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสต่างๆเนี่ยพวกวิญญาณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มาจากสังขารส่วนสุขทุกข์มันมาจากผัสสะนี่พอเข้าใจห นะอย่างนี้จึงต้องรู้จักให้ดีส่วนยิ่งท้าวโลกอย่างพวกเรายิ่งห่างไกลจากปัญญามากสุขทุกมาจากเงินน่นะมาจากคำชมอีกนู่ไปไกลนะอันนี้ยิ่งห่างไกลความเจริญไปไกลมากห่างไกลจากแนวทางของพระอริยเจ้าอีกหลายเลยทีเดียวทุกท่านจึงต้องจำแม่นๆนะเมื่อเหตุมีผลจึงมีต้องเหตุต้องถูกต้องด้วยผลจึงจะถูกกันนะอย่างนี้ทีนี้เราก็ รู้จักผลมาแล้วก็ต้องรู้จักว่าผลนี้มันมาจากเหตุผลมีผลโดยไม่มีเหตุเป็นไปไม่ได้หรอกผลมันต้องมาจากเหตุและเหตุมันต้องตรง ก, กันกับที่มันจะเกิดผลเนี่ยมันจึงถูกต้องถ้าเราพิจารณาไม่ถูกตัวมันก็ไม่เกิดปัญญาเนี่นะเนี่ยถูกตามจึงต้องไปหัดท่องไว้อิทัพปัจยตาปฏิจจสมุปบาทอันนี้ฝ่ายเกิดนะเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เนี่ยฝ่ายเกิดก็เริ่มต้นตั้งแต่เพราะอาวิชชานั้นเป็นปัจจัยสังขารเนี่ยมันจึงมีนะสังขารคือบุญบาปทั้งหลายเจตนาที่เราจะทำบุญบ้างบาปบ้างดีบ้างชั่วบ้างฉะนั้นที่ยังดีอยู่ได้เป็นเพราะยังมีอวิชชาทั้งนั้นแหละฉะนั้นทุกท่านไม่ต้องเป็นคนดีหรอกเพราะยังดีได้เมื่อยังมีอวิชชาเท่านั้นนะถ้าไม่มีอวิชชาเนี่ยจะดีไม่ได้เลยนะและจะชั่วไม่ได้ด้วย นะพระพุทธเจ้าจึงประกาศสัจจะให้เหนือตัวนี้ขึ้นไต่ให้เข้าใจก่อนเข้าใจมันท่านจะได้ไม่ต้องอยากเป็นคนดีไงไม่งั้นมันก็จะอยากเป็นคนดีอยากเป็นคนสงบอยากเป็นคนไม่ฟุ้งซ่านทำยังไงจะหายตั้งเงิอนอย่างนี้วุ่นอยู่ลำบากนะมันก็จะวนอยู่เท่านั้นเนี่ยอย่างนี้ทำตรง น, นี้อันนี้เพราะอวิชชานั่นแหละมันเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณมันจึงมีไล่ไปอย่างนี้นะแต่ว่าเราไม่ต้องเอาทั้งหมดเอาที่มันชัดสำหรับเรามาเป็นเครื่องพิจารณาโดยปกติทั่วไปแล้วก็ความทุกข์ทั้งหลายมันจะรวมเด่นลงมาที่ความแก่และความตายความเจ็บป่วยต่างเนี่ยตอนนี้หลายท่านก็แก่แล้วก็คงจะมีทุกขมารวมและเราก็เอาตัวนี้แหละเป็นเครื่องพิจารณาฉะนั้นทุกนี้มันมีข้อเด่น ก็คือมันจะทําให้เกิดปัญญานะอันนี้ทํานองนี้นะครับฉะนั้นท่านไหนทุกเยอะเนี่ยลำบากเยอะๆเนี่ยจึงมีโอกาสที่ดีในแง่ที่จะทําให้เกิดสติและเกิดปัญญานะเบื้องต้นคือมันทําให้เกิดสติก่อนฉะนั้นข้อเด่นของมนุษย์ชาวชมพูทวีปคือมันมีสติเยอะกว่าพวกมนุษย์ชาวอุตตรกุรุทวีปมีสติเยอะกว่าพวกเทพชั้นดาวดึง โดยธรรมชาติของเขาเพราะเขาทุกเยอะกว่ามีปัญหาเยอะกว่าพอมีปัญหาเยอะเขาก็จะมีสติคือเขาไม่หลงนั่นเองพอมีทุกข์นี่มันจะทําให้ไม่หลงทําให้รู้สึกว่าชะ ง, งักรู้สึกว่าโอ้มันไม่เหมือนที่คิดไอ้ไม่เหมือนที่คิดนะ่ะคือถูกแล้วน่ะไอ้ไม่เหมือนที่คิดที่ไม่ถูกคือเราไม่ยอมรับนั่นแหละที่ผิดมันมีผิดอยู่ตรงนั้นเราแค่จะมาแก้ตรงนั้น ที่เห็นว่ามันเป็นทุกมันไม่เหมือนที่คิดนั่นแหละถูกเลยนั่นแหละถูกแล้วเรามีสติแล้วตอนนั้นแต่ว่าที่เราขาดอยู่ตัวหนึ่งคือเราขาดปัญญา น, นั่นเองนะอย่างนี้ทํำตองนี้นะะทุกท่านก็เกือบจะมีปัญญา ห, หลายๆครั้งแล้วนั่นเนี่ยแต่ติดเกือบมาจนโง่งมอยู่จนถงทุกวันเนี่ยรู้สึกเฮ้ยมันก็ไม่ได้ดังใจเราทีไว้เฮ้ยทา ย, ทยัางไงก็ไม่เหมือนที่คิดทุกทีไว้เกือบแล้วเกือบแล้วนะถ้ายอมรับได้ว่าโอ้ทั้งหมดเลย และไอ้ีคิดว่าจะเหมือนที่คิดมันก็จะไม่เหมือนด้วยเพียงแต่มันยังไม่ถึงเวลาเอาคืนเราเท่านั้นแหละอย่างนี้อปัญญาเลยอย่างเงี้ยนะเราเกือบได้ปัญญามาหลายรอบแล้วนัเนนี่ยนะนะมนุษย์เราจึงเป็นพวกมีบุญเยอะมีบุญมากเพียงแต่บางคนใช้บุญไม่เป็นบุญก็คือเครื่องอำนวยความสะดวกสะดวกที่เราจะเกิดปัญญานั่นะแหละมนุษย์เราจึงดีมากสะดวกที่จะเกิดปัญญานะวิธีจะเกิดปัญญาก็ต้องฟังธรรม หูเราก็มีตาเราก็มีหนังสือธรรมะก็มีสะดวกมากตาเรามีนะแต่บางคนก็หลงอีกแหละโง่อีกนะเกิดมาตัวเองมีบุญเยอะคือมีเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมจะมีปัญญาแล้วแต่นึกว่าตัวเองบุญน้อยการนึกว่าตัวเองบุญน้อยนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิเขาก็หลอกเราอ่าคุณยังบุญน้อยอยู่คุณก็ทําบุญเยอะๆเพื่อว่าคุณจะได้สบายใจคุณก็ถวายอะไรเยอะๆคุณก็จะได้สบายใจโน่นนี่นั่นอันนี้ก็ ง่บุญมากแต่โง่ก็เลยบุญมากอย่งนั้นนะมากบุญวนเวียนอย่งนั้นบุญบุญนี้คือเครื่องอำนวยความสะดวกอำนวยความสะดวกให้เกิดปัญญาตาเรามีไหมมีเนี่ยก็เรียกว่าบุญเยอะแล้วนะอยู่ในเมืองไทยพร้อมที่จะมีหนังสือธรรมะให้อ่านไหมมีอันนี้ก็บุญเยอะที่สุดแล้วจบแค่เนี้ต่อไปก็เหลือแต่ใช้ความเพียรพยายามปัญญาก็จะเกิดหูมีไหมมีเสียงธรรมะมีไหม มีโทรศัพท์ที่จะกดฟังมีไหมมีทุกอย่างนะบางคนยังบุญน้อยอยู่ค่ะเออนั้นก็นอนตายไปซะแต อ, อย่างนั้นโง่นักเนี่ยช่วยไม่ได้เนี่ยถูกเขาหลอกไปสิอย่างนั้นนะเราต้องรู้จักก่อนว่าบุญมันคืออะไรบุญมันคือเครื่องอำนวยความสะดวกตอนนั้นแหละมันมีเท่านี้มันไม่ได้บิเกินนี้หรอกมีเครื่องอำนวยความสะดวกแล้วเรานึกว่าตัวเองไม่มีมันก็จบแล้วแสดงว่าเราโง่ตอนนั้นแหละจะบอกว่าเราฉลาดไม่ได้แล้วอย่างนั้นะนะนะนี่มันเป็นอย่างนี้ ทุกท่านก็เลยต้องรู้จักให้ดีทําอะไรนี่ต้องแม่นต้องชัดเจนถ้าไม่ชัดเจนเราจะถูกหลอกไอ้โลกนี้มันกับของหลอกมันอยู่ด้วยกันไอ้ครั้นเราจะโทษมันก็ไม่ได้เหมือนกันมันก็วุ่นเราจึงต้องรู้เรื่องให้ได้ถ้าไม่รู้เรื่องมันก็จะหลงอยู่างเงี้ยนะทั้งๆ ท, ที่เรามีเครื่องอํานวยความสะดวกทุกสิ่งทุกประการแล้วแต่เราก็บอกว่าเราบุญ น, น้อยนี่มันก็ตายพอดีเหมือนเรามีเงินและเป็นเครื่องอํานวยความสะดวกในการจะทําธุรกิจทุกประการ เราก็บอกว่าเงินยังไม่พอยังไม่พร้อมก็หาเงินอยู่ตลอดทั้งๆที่เงินก็จังเยอะแล้วแต่ไม่ยอมเอาไปทําอะไรก็เหมือนเรามีบุญตั้งเยอะพร้อมที่จะเรียนธรรมะพร้อมจะเข้าใจพร้อมจะเกิดปัญญาแต่เราก็ว่าเราบุญน้อยฉะนั้นเราก็ทําบุญไปก่อนนะมิจฉาทิฏฐิมันมีหน้าที่คือทําให้เราไม่เจริญเท่านั้นแหละเนี่ยมันเป็นอย่างนี้พวกเราจึงต้องฝึกใหม่ต้องหัดฟังธรรมะให้ดีๆ อย่างนี้ทํำนองนี้ก็คนสมัยพุทธกาลไม่มีคนคิดแบบเราว่าบุญน้อยหรอกพอมาเจอพระพุทธเจ้าโอ้ดิฉันบุญน้อยค่ะขอไปสร้างวัดก่อนไม่มีแล้ไม่มีสละมีแต่พวกเรารุ่นใหม่นี่แหละที่นิสัยเป็นอย่างเนี้นะรุ่นเกา่าพอมาเจอปุ๊บก็กดโอ้หูก็มีตาก็มีผู้จะแสดงธรรมก็มีศรัทธาเราก็มีเราก็ฟังซะก็ปัญญาก็จะเกิดขึ้นตามที่สมควรตามที่ตนควรจะได้นะอย่างนี้เพราะว่า เรื่องอำนวยความสะดวกกันมีทุกประการแล้วนะแต่พวกเรารุ่นหลังๆนี่มีครบทุกอย่างแต่บอกว่าขอไปนู่นก่อนไปนี่ก่อนนี่มันก็เลยวุ่นวายนะนี่อันนี้พูดให้ทุกท่านได้ฟังจะได้รู้จักว่าเออเนี่ที่เรายังขาดอยู่ก็คือเรื่องปัญญาเห็นสัจธรรมเท่านั้นและปัญญาเห็นสัจธรรมเนี่ยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเราจะไม่มีทางเห็นเลยทั้งทั้งที่เกือบอยู่เรื่อยๆนะ เพราะว่าพวกเราเป็นสาวกนั่นเองแม้กระทั่งคนเก่งกว่าพวกเราอย่างเช่นท่านภาษาริบุดอย่างเนี้ยะถึงแม้ท่านจะเกือบบรรลุแล้วเนเอยเป็นหนุ่มๆ น, นี่ไปเที่ยวดูเขากระโดดโลดเต้นกันพวกนี้มันจะกระโดดโลดเต้นทําไมวะเนี่ยคนแสดงสาวๆเนี่ยเดี๋ยวสักหน่อยอายุไม่เกินร้อยก็ตายแล้วเรามานั่งดูสักหน่อยก็ตายเหมือนกันนล้นจะมานั่งดูคนตายเต้นให้คนตายดูทําไมเนี่ยมันก็งงนี่เกือบบรรลุเหมือนกันนะเนี่ย แต่ว่าด้วยความเป็นสาวกก็ยังไม่บรรลุใช่ไหมก็ต้องไปเจอพระอศัศจริทนธะ์เสก่อนอย่างนี้พอเข้าใจไหมก็เหมือนพวกท่านเนี่ยเกือบมาตั้งหลายรอบแล้วเนี่ยเอ้ยมัน เ, เกือบเกิดปัญญาเนเอ้ยมันไม่ได้ดั่งใจสักทีทําไมมันไม่เหมือนที่คิดไอ้ไม่เหมือนที่คิดนั่นแหละมันถูกแล้วมันถูกแล้วนะเพียงแต่มันเหลืออีกน้อยนึงอ่ะอีกน้อยนึงน เ, นเหลือแต่ธรรมะเอามาบอกว่านั่นแหละที่ไม่เหมือนที่คิดนั่นแหละเป็นสัจธรรมแล้วเหลือน้อยเดียว นะเป็นครับยังเหลือเยอะไหมครับบางท่านยังเหลือเยอะอยู่ค่ะหนูขอไปทําบุญก่อนค่ะอีกแล้วเป็นประธานกฐินอีกแล้วพับปายแล้วเดี๋ยวขอไปรับอา น, นิสงส์กฐินก่อนค่ะนู่นไปสวรรคดาวันดึงอีกนานอีกแล้วเดี๋ยวรอเกิดใหม่ก็แล้วกันเนาะทีนี้นี่เขาเรียกว่ามันยืดเยืย้อไปเรื่อยๆนะะอย่างนี้ก็ห่างจากสัจธรรมไปเรื่อยๆลักษณะทํานองนี้เขาเรียกว่าคนประมาทนั่นเองนะ อย่างนี้ทำนองนี้คนประมาทก็จะหลงหลงแล้วก็วุ่นวายไม่ยอมรับศัจธรรมไม่เข้าใจพอมีธรรมะมาแสดงตัวก็ชอบหนีนะชอบไปหาดีหาอะไรก็ว่าไปอะไรตามใจชอบของเขาอย่างนี้นะครับอันนี้ทุกท่านจึงควรหัดจำไว้นะนี่ฝ่ายเกิดนะฝ่ายเกิดจะได้มีหลักในการไปพิจารณาดู ความทุกข์นี่มันจะรวมเด่นอยู่ที่ความแก่ความเจ็บป่วยความตายที่ทำงานก็คงทุกข์เยอะเหมือนกันนะนั่นก็เป็นสัจธรรมที่ครอบครัวมีทุกข์เยอะไหมก็น่าจะมีเยอะเหมือนกันนะก็พอสมควรอยู่นั่นก็เป็นสัจธรรมนั่นแหละก็ทุกข์ยากลำบากไม่เหมือนที่คิดนั่นแหละเครียดนั่นแหละมันเป็นสัจธรรมนะ เพราะบ้าแท้ที่จริงไอ้ตัวของเราเนี่ยนะมันหนักกว่าที่ทํางานอีกมันหนักกว่าที่บ้านอีกมันหนักกว่าที่ไหนไนอีกก็ร่างกายของเราเนี่ยต่อไปมันจะลุกไม่ขึ้นนะรู้เปล่าขาเนี่ยแต่เดิมมันมีแรงมันจะหมดแรงตามันจะบอดหูมันจะหนวกนะเลือดมันจะไม่ไหลเวียนลมหายใจมันจะไม่เข้าไม่ออกนี่มันหนักกว่าอันอื่นตั้งเยอะนี่ก็คือสัจธรรมนั่นเองนะอย่างนี้ทํำนองนี้ ทุกท่านจึงไม่ควรที่จะหนีสัจธรรมเมื่อทุกทุกอย่างมารวมเด่นแล้วควรจะพิจารณานะและต้องพิจารณาให้ได้คำตอบที่ถูกต้องจะเกิดปัญญาเอ๊ะแก่เนี่ยมันเกิดจากอะไรเมื่ออะไรมีความแก่จึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยความแก่จึงเกิดขึ้นอ๋อก็เพราะความเกิดนั่นแหละนะ เ, นเห็นไหมทำไมตามันถึงจะบอดก็เพราะมันมีตานั่นแหละ ก็มันมีตาใหม่มันจึงมีตาเก่าได้ถ้าเราไม่มีโทรศัพท์เครื่องใหม่เราจะมีโทรศัพท์เครื่องเก่าไหมก็ไม่มีก็เท่านั้นแหละนะขานี่ทําไมมันจึงพังได้ก็เพราะว่ามันมีขาที่ยังไม่พังนั่นแหละเนี่ยที่ยังอยู่ตอนนี้น่ะถ้าไม่อยากให้มันพังก็จงพังมันซะมันก็ไม่มีอะไรให้พังแล้วน่ะอย่างนี้ชนิดที่เราป่วยได้ร่างกายที่เราป่วยได้ก็เพราะมีความไม่ป่วยอยู่นี่แหละ นะมีความไม่ป่วยอยู่ในนี้สักหน่อยความป่วยมันก็จะเอาความไม่ป่วยออกไปถ้าเราไม่อยากจะป่วยเราก็ป่วยซะให้หมดทุกจุดเราก็ไม่ต้องป่วยอีกต่อไปแล้วสบายเลยแต่บางคนก็ไม่ยอมอีกแล้วไม่ยอมอีกก็วุ่นอยู่ยงี่ก็หลีหนีไปไหนก็ยังไม่ทราบแต่หนีไม่พ้นสักคนนะเนี่ยเป็นอย่างนี้นี่จึงต้องรู้จักฟังรู้จักถ้าพิจารณาแล้วรู้จักเกิดปัญญาจะยอมรับถ้ายอมรับสัจจะเนี่ยยอมรับทุก ตัณหามันก็จะไม่มีตัณหามันไม่เกิดเพราะหลักการเนี่ยตัณหามันก็เป็นสัจจะเหมือนกันความติดข้องตัณหาเนี่ยก็เป็นสัจจะเป็นสมุทัยสัตว์สมุทัยสัตว์เนี่ยตัณหาความยินดีติดเพลินพอใจมันเกิดจากทุกข์ที่ไม่ได้กําหนดรู้เท่านั้นแหละถ้าเรากําหนดรู้รู้จักทุกข์ว่าเป็นทุกข์แล้วตัณหามันก็จะไม่เกิดอันนี้มันเป็นกฎของมันนะฮอย่างนี้ฉะนั้นตัณหามันไม่ได้หมดไปด้วยวิธีอื่น เราอยากจะเลิกติดอาหารติดโน่นติดนี่เราก็ไปทําสมาธิซะทําให้มันมีความสุขซะไปสวดมนต์เยอะๆเราจะได้ไม่ติดหนังติละครอันนี้ก็ทำไปเสอะทั้งหน่อยก็มันกลับมาใหม่เพราะมันไม่ใช่วิธีนะนะอย่างนี้วิธีก็คือต้องไปกําหนดรู้อันนั้นว่ามันเป็นทุกข์เป็นสัจจะเป็นของมันนั่นแหละเราเข้าใจมันจึงจะละตัณหาได้ถอนตัณหาได้นะ ในทางพุทธศาสนาท่านก็เลยให้เราพยายามปฏิบัติมักเพื่อเห็นสัจธรรมเพื่อให้เกิดวิชาเกิดปัญญาขึ้นตอนนี้ผมก็กําลังบอกวิธีให้พวกท่านไปหัดพิจารณาให้มันเกิดปัญญานั่นแหละพอมันเกิดปัญญาขึ้นเกิดความเข้าใจขึ้นตันหามันก็จะไม่มีไม่เกิดพอตันหาไม่มีไม่เกิดก็คือไม่มีทุกข์แหละนะเพราะตันหาไม่เกิดทุกข์ก็ไม่เกิดก็เท่านั้นเองและนี่แหละคือการเจริญมัก ถ้าทำอยู่ในกระบวนการนี้กำหนดทุกได้และตัณหาไม่เกิดทุกไม่เกิดได้นี่แหละคือมัคนะมัคเนะี่ยมีไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะนะมัคนี่มีไว้เพื่อละตัณหาละกิเลสโดยเฉพาะไม่มีข้อปฏิบัติไหนที่จะละกิเลสได้นะมีเฉพาะข้อปฏิบัติที่เป็นมัคอย่างเดียวเท่านั้นจะละกิเลสได้ จะดีเท่าไหนสงบแค่ไหนถ้าปฏิบัติไม่เข้ามรกเนี่ยก็จะละกิเลสไม่ได้นะไม่ต้องสงบมากก็ได้ไม่ต้องเก่งมากก็ได้แต่ถ้าปฏิบัติในมรกเนี่ยจะละกิเลสได้ฉะนั้นเก่งไม่เก่งไม่เกี่ยวเก่งก็ยิ่งดีไม่เก่งก็ไม่เป็นไรขอให้ปฏิบัติมรกท่านั้นเองคนที่หมดกิเลสก็เลยมีทั้งคนเก่งมีทั้งคนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่มีทั้งคนมีปัญญามากระดับภาษาริบุตรมีทั้งคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยอย่างพวกเราเป็นต้น พอจะได้บ้างไหมเนี่ยก็ได้เหมือนกันไม่ต้องรู้เก่งอะไรก็ได้นะขอให้ปฏิบัตินี้มันเป็นมรรคก็พอแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ส่วนพวกเรามีแต่อยากดีอยากเก่งอยากบุญเยอะอยากอะไรเยอะไปหมดนะแต่ว่าเหลืออันเดียวที่ไม่ได้ก็คือมรรคเนี่ยทําไม่เป็นกิเลสก็เลยเยอะตลอดบุญก็เยอะจนหอบไปไม่ไหวแล้วนะอะไรต่อมีอะไรก็เยอะไปหมดแต่กิเลสก็ยังเต็มไปหมดเลยเนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นบุญเยอะท่านก็ไม่ว่า หรื อ, อยังไม่เยอะท่านก็ไม่ว่าท่านไม่ได้ว่าอะไรคนบุญเยอะก็อย่างพระศรีวลีเป็นต้นก็ไปอยู่ที่ไหนก็มีกิวมีกินตลอดก็บรรลุได้บางองค์บา ง, ง, บางท่านเป็นอาหารแล้วเดินบินตบาตก็บาดเปล่าตลอดก็บรรลุได้เหมือนกันนี่เป็นอย่างนี้ส่วนพวกเราต้องแหมต้องพระศรีวลีไว้ก่อนเนาะนะนะก็ไม่ว่าก็ไม่ว่าเหมือนกันแหละนะได้หมดได้หมดไม่ว่าเพียงแต่ว่าที่ว่านี่คือว่าพวกเรามัวแต่ไปหาไอ้บุญไอ้อะไร แต่ว่ามาร์กเนี่ยมันไม่รู้เรื่องกันเนี่ยก็เลยมาพูดให้ฟังตรงนี้นะทำตรงนี้นะครับสรุปว่าพวกดีพวกสงบพวกอะไรต่างๆนี่มันเป็นส่วนหนึ่งไปเลยนะสัจจะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งไปเลยคนละส่วนกันนะอย่างนี้นะครับนี่อันนี้ทุกนี้ก็จะมารวมเด่นที่แก่เจ็บตายเจ็บปวดทรมานโศกะปริเทวะเยอะแยะเนี่ยในชีวิตของพวกเรา ทุกท่านจึงควรเอาชีวิตของตนเองนี้เป็นเครื่องพิจารณาเพื่อฝึกปัญญาเพราะโดยมากเนี่ยนะหลายท่านก็เกิดสติบ่อยๆอยู่บ้างเช่นว่าโอ้ยทำไมทุกแท้โอ้ยทำไมมันไม่ได้ดังใจเราอะไรพวกนี้ไม่เหมือนที่คิดพวกนี้คือการมีสติแล้วนะเพียงแต่ที่เรายังขาดอยู่คือขาดปัญญา การพิจารณาที่ถูกต้องที่มันทุกข์ยากทรมานอย่างนี้ขึ้นมาก็เพราะว่ามันเกิดมานั่นแหละมันเป็นเรื่องสัจจะนั่นเองที่มันผิดคือเราไม่ยอมรับความทุกข์ไม่ยอมรับความยากลําบากนี่แหละที่มันผิดอยู่เราเอาแค่ตัวนี้ออกนะฮุขทุกข์เกิดขึ้นก็เพราะผัสสะอันนี้ทุกท่านก็ต้องรู้จักทุกทุกเนี่ยมันเกิดนะเฉยเฉยมันเกิดเพราะผัสสะไม่ใช่เพราะสิ่งอื่นนะ ออย่างนี้สุขนี้ไม่ได้เกิดเพราะบุญนะบุญเยอะเท่าไหร่ถ้าไม่มีผัสสะสุขก็ไม่มีนะต่อให้เลยให้บุญเยอะๆแล้วไปนอนหลับซะไม่มีผัสสะนะตอนนอนหลับมันไม่มีผัสสะนะคนมีบุญเยอะๆนะรวยๆน่ะไอ้นอนหลับอยู่นะมันมีสุกไหมไม่มีสุขมันเกิดจากผัสสะนี่มันเป็นอย่างนี้นะต้องรู้จักอย่างนี้ถ้าไม่รู้จักนี่มันจะหลงทุกมันก็เกิดจากผัสสะเหมือนกันทีนี้นี่มันเป็นอย่างนี้ต้องรู้จัก ไม่ได้เกิดจากบาปน ะ, นะอย่างนี้นแต่ถ้าพูดแบบภาษาคนก็พอได้อยู่แต่นี้เราพูดแบบระดับสัจธรรมเลยนะระดับเหนือขึ้นไประดับที่จะเห็นความจริงเราต้องพูดให้มันตรงอวิชชาเนี่ยมันเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารฉะนั้นที่มีดีมีชั่วมีบุญบาปได้อยู่เนี่ยก็เป็นเพราะยังมีอวิชชาอยู่นั่นแหละอย่างนี้ทานองนี้นะจึงต้องรู้จัก สังขารก็เป็นปัใจจัยให้เกิดบิญญาณิไลา่ไปนะนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานพบชาติชรามรณะโสกะปริเทวทุกโทมนัสอุปายาสนี่คือฝ่ายเกิดนะต่อไปฝ่ายดับฝ่ายดับคือฝ่ายไม่มีไม่เกิดฝ่ายไม่เกิดคำว่าดับดับในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี้หมายถึงมันไม่เกิด คำว่าดับนิโรธเนี่ยแปลว่าดับดับคือมันไม่เกิดมันไม่มีที่มันไม่มีเพราะมันไม่มีเหตุเพราะเหตุมันไม่เกิดเหตุมันไม่เกิดตัวมันผลก็เลยไม่เกิดไปด้วยเรียกว่าดับนะไม่ใช่ดับแบบดับแบบที่พวกเราเข้าใจเหมือนกิเลสดับเนี่ยก็ไม่ใช่กิเลสดับแต่หมายถึงกิเลสมันไม่เกิดที่กิเลสมันไม่เกิดเพราะไม่มีเชื้อให้กิเลสมันเกิดเช่นความอยากความต้องการเกิดเนี่ย เราพยายามดับตัณหาตัวนี้อันนี้เป็นความพยายามที่สูญเปล่าเป็นไปไม่ได้นะตัณหามันเกิดนี่มันเป็นสัจจะเราต้องรู้จักว่ามันเป็นสัจจะมันเป็นสัจจะอะไรเป็นสมุทยสัจเราไม่ต้องพยายามดับตัวนี้มันดับไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ดับแบบนี้ดับคือมันไม่เกิดนะเราต้องรู้จักให้ดีๆคำว่าดับดับนี่คือมันไม่เกิดไม่งั้นเราจะไปรู้แต่ดับแบบอะไรก็มั่วๆอยู่หลงๆอยู่นะ เช่นดับความโกรธอย่างเนี้บางท่านก็โอ้ยฉันขี้โกรธพยายามดับความโกรธก็ว่าไปนะความโกรธมันดับไม่ได้แบบนั้นคําว่าดับความโกรธก็คือความโกรธไม่เกิดความโกรธไม่มีนั่นแหละนะทีนี้ความโกรธจะไม่มีเพราะอะไรตัณหาจะไม่มีเพราะอะไรเราก็มาเรียนอีกต่อหนึ่งนะก็กิเลส ท, ทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่อะไรขนาดไหนขยายออกมาขนาดไหน มันก็เกิดจากเชื้อตัวเดียวกันก็คืออวิชชานั่นเองเราก็เลยต้องมาปฏิบัตมิมรรคจึงจะถอนกิเลสได้ทั้งหมดอันนี้มันก็เป็นหลักวิชานะนี่เป็นฝ่ายไม่มีฝ่ายไม่เกิดฝ่ายไม่มีฝ่ายไม่เกิ ด, กดถ้าพูดเป็นอิทัพปญญ ย, ยตาก็ว่าเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะความดับไปของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอิมัมิงอสติอิดังนะโธติ เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีอิมัตสนิโรธาอิดังนิรุชติเพราะความดับไปของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปคาว่าดับไปไอ้ดับไปนี่เป็นคำภาษาไทยนะแต่ความหมายของคําว่าดับไปที่เขานิยมแปลอันนี้เราก็ต้องแปลตามนิยมกันก่อนจะได้ให้รู้จากว่าเป็นแค่สมมุติภาษาอันหนึง่งแต่คำว่าดับในที่นี้หมายถึงว่ามันไม่เกิดมันไม่มีมันไม่เกิด เพราะมันไม่มีเหตุให้เกิดมันไม่เกิดเพราะความดับก็คือเพราะความไม่เกิดของอันนี้ของเหตุเพราะเหตุมันไม่เกิดผลมันก็เลยไม่เกิด น, นี้เรียกว่าเพราะเหตุดับผลมันก็เลยดับนี่ต้องรู้จักอย่างนี้นะะพอรู้จักอย่างนี้แล้วเราก็จะได้รู้จักวิธีละตันหาอะไรต่อไปละตันหาจึงไม่ใช่ไปละตันหาหรือละกิเลส ท, ที่มันมีขึ้นเป็นขึ้นแต่ ไม่ให้กิเลสมันเกิดทำอย่างไรกิเลสจะไม่เกิดอันนี้แหละเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องมาศึกษานะฮะฉะนั้นกิเลสมันเกิดนี้จึงไม่ใช่ประเด็นสําคัญอะไรเพราะว่าที่ประเด็นสําคัญคือเราจะทําให้กิเลสไม่เกิดในนี้คือประเด็นสําคัญส่วนกิเลสเกิดนี้ไม่ใช่ประเด็นสําคัญส่วนหลังๆมาพวกเราให้ความสําคัญกับกิเลสเกิดซึ่งผิดกิเลสเกิดนี่มันก็เรื่องธรรมดามันเป็นสัจจะเองไม่มีปัญหาอะไรปัญหาสําหรับพวกเราก็คือกิเลสไม่เกิด น่ะเนี่ยปัญหาทําอย่างไรกิเลสจะไม่เกิดนี่นแหละคือสิ่งสําคัญตัวที่ทําให้กิเลสไม่เกิดได้ก็มีเลยมีตัวเดียวเหมือนกันก็คือมรคนั่นเองที่พูดบ่อยๆก็เพื่อจะมาสู่ข้อปฏิบัติอันเดียวนั่นแหละคือมรทุกท่านจะต้องปฏิบัติมรให้เป็นนะหลายคนก็พยายามอ้าให้ทานเนี่ยจะได้ขัดกิเลสละกิเลสแต่หลายท่านก็ให้มาตั้งหลายรอบแล้วเป็นไงครับกิเลสยังเกิดอยู่ไหมครับ ก็ยังเกิดอยู่เหมือนเดิมเลยดีไม่ดีเรวกว่าเดิมอีกนะก็แต่เดิมนะไม่ได้ไปวัดนี้ก็ไม่รักเจ้าอาวาสไม่เกลียดเนียนน้อยอะไรก็ว่าไปก็กิเลสก็เยอะอยู่แต่พอไปวัดแล้วก็กิเลสก็นั ก, กว่าเดิมอีกด้วยซ้าไปนะนี่แต่เขาก็มีบอกว่า ไ, ไปทําบุญนะกิเลสจะได้ลดเขาบางนคนก็ไปเหมือนกันนะแต่พิสูจน์มาแล้วกิเลสเยอะขึ้นตลอดนี่มันเป็นอย่างนี้นะแปลกจริงเลยแต่เดิมไม่ค่อยต้องการหลอกสวรรค์ชั้นดาวดึงเน่ย เพราะว่าไม่ค่อยมีความหวังอะไรแต่พอเริ่มทำบุญเป็นนะโอ้โหความหวังชักจะมาแล้วเดาวดึงอยู่รอมรอแล้วอาอะไรทีนี้นะน้านลายชักยืดแล้วอะไรแล้วกิเลสเยอะกว่าเดิมอีกแต่เดิมก็หวังอะไรวุ่นวายต่อมาก็หวังสวรรค์หวังอวุ่นอีกเยอะไปหมดนะนี่มันเป็นอย่างนี้นะนี่ยิ่งพวกที่ทำสมาธิเป็นอะไรเป็นก็อ น, นักขึ้นอีกกิเลสก็เพิ่มขึ้นมา เปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆนี่มันผิดทางไปไกลแล้วถ้าฝ่ายมาร์กเนี่ยคือกิเลสไม่เกิดแต่พวกเราไปทำซะเยอะเลยแต่กิเลสเกิดตลอดกิเลสเกิดตลอดมันเปลี่ยนแต่หน้าไปเรื่อยๆละเอียดไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยเฉยๆนี่เป็นอย่างนี้ทุกท่านจึงต้องรู้จักให้ดีๆเราปฏิบัตินี้เพื่อกิเลสมันไม่เกิดไม่ใช่ให้กิเลสมันเกิดนะไม่ใช่ไปทาไม่ถูกเรื่อง ฉะนั้นตอนทําไม่ถูกเรื่องนี้คือเราต้องการหรือจ้องที่จะเป็นละกิเลสตัวนั้นตัวนี้มันก็เลยผิดที่อยู่แล้วก็พยายามสู้มันอย่างนั้นอย่างนี้กิเลสก็เลยยังเกิดอยู่ตลอดเพียงแต่มันหลบหน้าเราบ้างอะไรบ้างเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไปบ้างนะฉะนั้นจึงไม่ต้องไปจัดการกิเลสที่กําลังเกิดไม่ต้องไปรังเกียจมันไม่ต้องไปว่ามันให้เห็นว่ามันเป็นสัจจะเท่านั้นเองนิสัยไม่ดีเนี่ย ก็เป็นสัจจะเป็นสัจจะต้องยอมรับก่อนอย่าไปรังเกียจมันอย่าไปคิดจะละมันนะแค่นั้นแหละแต่นี้ก็ยากแล้วเพราะนิสัยไม่ดีใครๆก็อยากจะละก็พวกอยากเป็นคนดีมันก็ได้เท่านี้ไงเดี๋ยวสักหนึ่งมันก็เลวอีกแล้วเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันเลยวนพวกเราเลยวนอยู่ตลอดเพราะเรายังมีรังเกียจอันนึงและไปรักอีกอันหนึ่งตลอดนะอย่างนี้แท้ที่จริงกิเลสนั้นก็เป็นสัจธรรมเหมือนโลกใบนี้แหละโลกใบนี้ก็มีทั้งคนดีทั้งคนไม่ดีใช่ไหม คนมีศีลและไม่มีศีลคนไม่มีศีลก็เยอะหน่อยคนมีศีลก็น้อยหน่อยอันนี้เป็นสัจจะหรือยังเป็นสัจจะแล้วแต่พวกเราเนี่ยก็จะชอบแต่การมีศีลส่วนคนไม่มีศีลเราก็จะไม่ชอบมันแล้วก็ไพยายามยัดเยียดเขาว่าแกต้องมีศีลนะในโลกใบนี้ก็มีทั้งคนขายสุรามีทั้งคนไม่ขายเราก็พวกสุราเมรยะมัชฌะประมารตถาวาเรรมณีปุ๊บเนี่ยเราก็จะโน้นด่าแต่พวกที่ขายสุรานั่นแหละ บางทีก็นิี้มนพระไปตั้งตลับปัดหน้าบริษัทเขาเนี่ยให้เขาเลิกขายอะไรก็ไม่รู้วุ่นอันนี้มันก็เพี้ยนไปไกลเพี้ยนไปไกลนะเพราะจะไปแก้อันที่มันกําลังมีอยู่อันที่มันกําลังเกิดอยู่เห็นไหมไปแก้อันที่กําลังเกิดอยู่กําลังมีอยู่อันที่กําลังเกิดอยู่มีอยู่เขาไม่ได้แก้เขาให้ยอมรับว่ามันเป็นสัจจะเป็นสัจจะอันหนึ่งนะขายสุราเมรายนี่ก็เป็นสัจจะอันหนึ่งแต่เราไม่ต้องขายแต่มันเป็นสัจจะต้องยอมรับ นะเนี่ยอย่างนี้กิเลสต่างๆนี่ก็เป็นสัจจะเป็นสัจจะตัณหาท่านก็เลยจับเป็นสัจจะทีเดียวนะเป็นสัจจะเป็นโหของยิ่งใหญ่มากนะติดจิตติดกินติดนอนนี่เป็นสัจจะนะชอบไหมเนี่ย <c oughs> น้ําลายชักขึ้นแหละโอ้เข่าเท้าไอ้นะีอันนี้ก็เป็นสมุทัยสัจไงเป็นสัจจะนี่มันเป็นอย่างนี้ต้องยอมรับก่อนต้องรู้จักสรุปว่า ไม่ได้ให้เป็นละกิเลสที่กำลังมีที่กำลังเกิดหรือไม่ได้ให้ไปทำให้โลกมันดีให้มันเลิกวุ่นวายให้ทุกคนมีศีลหมดให้ทุกคนดีหมดอะไรพวกนี้ไม่มีหรอกไม่มีคำสอนไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคำสอนคือให้ยอมรับก่อนว่ามันเป็นสัจจะและมันเป็นสัจจะข้อไหนแค่นั้นแหละนะอย่างนี้ทำลองนี้นะก็โลกมันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้ว่ยมันก็เป็นธรรมดาที่เราไม่ไปไหนเนี่ย ไม่เหนือโลกใบนี้ก็เพราะเราไม่ยอมรับสัจจะนั่นแหละเราก็จะมัววุ่นอยู่แล้วก็พยายามดีอยู่อะไรอยู่ก็พยายามดีมันก็อวิชชาไงก็ถ้าไม่มีอวิชชามันดีไม่ไดไ้มันก็ต้องคาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่เหนือสักทีเนี่ยอย่างนี้ทําอนองนี้ทุกท่านจึงต้องรู้จักทําอะไรที่มันเหนือโลกต้องรู้จักวิธีแบบเหนือโลกมอย่างนั้นแล้วก็จะทาให้เป็นนะทางพระท่านก็สอน ให้ให้ทานแต่ให้ให้มันเป็นมักให้รักษาศีลแต่ทําให้มันเป็นมักนะให้มันเพื่อกิเลสไม่เกิดนะอย่างนี้เพื่อเป็นกําลังทางจิตให้มันสะดวกสะดวกในการที่จะเกิดปัญญาให้มันสะดวกให้มันสบายนั่นเองทำหนองนี้นะครับพร้อมที่จะยอมรับสัจธรรมสําหรับพวกคารวะอย่างพวกเรานี้พระพุทธเจ้าจึงได้แสดงอนุปูปิกถาให้พวกเรา เพื่อที่จะเป็นฐานของสมาธินะเพื่อจะยอมรับหลักสัจธรรมอนุปูปิกถ า, าก็มี5มีทานมีศีลมีสวรรค์คือคุณธรรมความดีต่างๆมีโทษของกามโทษความตำซามเศร้าหมองของกามคุณและอนิสง์ในเนคขมนะ์พระองค์ก็สอนนะสอนอันนี้เพื่อเป็นฐานให้จิตมีความมั่นคงเป็นสมาธิจะได้ ยอมรับสัจธรรมฉะนั้นผลของทานเนี่ยก็คือการยอมรับสัจธรรมผลของศีลที่ถูกต้องก็คือการยอมรับสัจธรรมนั่นแหละถ้าเราให้ทานแต่ใจไม่เคยยอมรับสัจธรรมเลยกิเลสเราก็เหมือนเดิมดีไม่ดีจะเยอะกว่าเดิมเพราะด้วยการเห็นสัจจะเท่านั้นจึงจะละกิเลสได้อันนี้มันเป็นกฎนะถ้าไม่เห็นสัจธรรมเนี่มันละกิเลสไม่ได้นะรู้ไหมรู้แล้วเนี่ยรู้ทุกคนแล้วเนี่ยนะอย่างเนี้ยเราต้องรู้จักฉะนั้น ต้องยอมรับสัจธรรมมันจึงจะละกิเลสได้อันนี้เป็นกฎอันนี้เป็นกฎพูดภาษาเรานะเนี่ยทุกท่านจึงต้องรู้จักให้ดีๆที่ให้ทานเนี่ยเพื่อยอมรับสัจธรรมทุกท่านจึงต้องไปชําระเรื่องทานให้ชัดเจนในใจของเราว่าเราให้ทานเพื่ออะไรเพื่อยอมรับสัจธรรมใช่ไหมถ้าใช่นั่นแหละถูกต้องแล้วนะเพราะใจของเราบางทีมันห่างไกลาจากสัจธรรมมันตรนิมันหวงแหนเยอะกิเลสมันมาก มันก็บังสัจธรรมมากแล้วก็ใช้ทานนี้เป็นตัวกวาดพวกตันีห้วงแหนออกไปเพื่อมันจะได้ยอมรับความจริงได้เราพอให้ไปแล้วเราก็ต้องมาสํารวจตัวเองว่าเป็นไงบ้างมันยอมรับสัจจะความจริงได้เพิ่มขึ้นไหมเพราะความจริงก็มีอยู่แล้วของไม่ได้ดังใจหวังก็มีมากมายขับรถก็มีคนปาดหน้าเยอะแยะนั้นเป็นอะไรนะ่ะเป็นสัจธรรมสัจธรรมของอะไรสัจธรรมของกรุงเทพมหานคร นะแต่บางท่านนี่โอ้โหไปทําบุญก็แช่งพวกอยู่ตามถนนนี่ไปหลายคนแล้วเพราะเราจะรีบไปทําบุญเดี๋ยวหลวงพ่อจะไปงานที่อื่นเราต้องรีบไปถวายหลวงพ่อให้ทันฉะนั้นใครขวางหน้าเราแช่งให้มันตายๆไปให้หมดจะได้ไปถวายทานให้ทันเอา้าวเอากันปานนั้นแหละแล้วเขานึกว่าเขาได้บุญเยอะอีกทีนี้ลองคิดดูย่โอ้โหผิดไปไม่รู้กี่ขั้นตอนลองคิดดูดิอย่างเนี้ย มันห่างไกลาจากสัจธรรมไปเรื่อยๆทําไมถึงไปทําตัวเองขนาดนั้นอุตส่าห์ไปให้ฐานเสียเวลาเสียเงินเสียทองไปเอยอะๆยังทําให้ตัวเองห่างไกลาจากสัจจะไปอีกลองทีด่ดูใช่นะม น, นี่ยทุกท่านจึงต้องทําตัวให้ใกล้สัจธรรมไปเรื่อยๆอันนี้เข้าใจไหมใกล้ต่อการบรรลุธรรมผู้ปัสสาวะเราเนะนี่ยนี่ต้องสํารวจตัวเองว่าเราใกล้หรือ ย, อยังใกล้หรือยังครับเนี่ยใกล้จะได้กินเที่ยงแล้วเนาะใกล้แล้ใกล้แล้วนี่ยใกล้แล้ว นะนะต้องทําตัวให้ใกล้อย่างนั้นคือถามใจตัวเองว่าใกล้จะยอมรับหรือยัง น, นนะโดนดายังสั่นอยู่ไหมเนี่ยสั่นอยู่ไหมนะเจอความยากลําบากยังสั่นอยู่ไหม ย, ยังห่วงกังวลอะไรอยู่ไหมนะอย่างเงี้ยเรียกว่ามันยังไกลอยู่แต่พันธถ้ามันรู้สึกว่าโอ้โหใกล้จะยอมรับแล้วต่อไปเจ็บป่วยมากขาขาดมาลมหายใจจะหมดมายอมรับได้แน่นอนเลยเ อ, อ้อยเงี้ยใช้ได้เนี่ยพอไหวไหมครับเนี่ย อันนี้ต้องไหวนะนี่มันเป็นอย่างนี้นะทุกท่านก็เลยต้องไปฝึกกันไหมก็ที่ฝึกให้ไหวก็พวกทานศีลต่างๆ่างนี่แหละก็เป็นการฝึกอันนี้โดยเฉพาะนะนี่คือวัตถุประสงค์จริงๆของทานศีลภาวนาทั้งหมดเนี่ยเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะเราไม่ได้ทําเพื่อการอื่นนะแค่ทําเพื่อการนี้เราก็ยากลําบากพออยู่แล้วเราไปทําเพื่ออย่างอื่นอีกมันก็ไม่ไปไหนสักทีสิย่างนี้นะทุกท่านจึงต้องทำเพื่อการนี้ให้ทานก็เพื่อเข้าใกล้นิพพานอีกหน่อยหนึ่ง รักษาศีลก็เพื่อเข้าใกล้นิพพานอีกหน่อยหนึง่งนั่งสมาธิวันนี้ก็เข้าใกล้นิพพานอีกหน่อยหนึ่งไม่ใช่ไปเข้าใกล้ความดีไม่ใช่ไปเข้าใกล้ความสงบแหมนั่งวันนี้ใกล้สงบแล้วได้หนึ่งชั่วโมงแล้วหายปวดหลังแล้วเดี๋ยวต่อไปหนึ่งชั่วโมงครึ่งโอ้ใกล้ใกล้แล้วเดี๋ยวไปสองชั่วโมงก็โอ้ใกล้ใกล้แล้วเอาต่อไปนั่งอีกสองชั่วโมงเกินครึ่งโอ้โขาพังที่ไหนได้นึกว่าใกล้ความดี rise. ที่ไหนกลายเป็นใกล้ขาพังไปแล้ว มันเป็นอย่างนั้นอย่าไปเอาอย่างนั้นสิเราต้องใกล้จะยอมรับสัจธรรมนั่งไปคราวนี้รู้สึกว่าสงบบ้างไม่สงบบ้างทําได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็ไม่ยอมรับสักเราก็พยายามฝืนไปฝืนไปเออครั้งที่สองชักจะยอมรับได้มากขึ้นวปสงบบ้างไม่สงบบ้างก็ช่างมันอ่ะมันคิดมากบ้างคิดน้อยบ้างเราก็ทําของเราไปเราก็ยอมรับได้มากขึ้นเออนี่มันใกล้มันเป็นอย่างนี้มันถูกต้องนะทุกท่านก็เลยต้องไปสํารวจนะ สำรวจตัวเองจากสัจจะที่ท่านได้รับอยู่ทุกวันทุกวันนั่นแหละนะไปปฏิบัติในคอร์สปฏิบัติต่ตางๆแต่เดิมอยู่บ้านยอมรับใครก็ไม่ได้นิสัยเละตุ่มเป๊ะไปหมดยอมรับใครไม่ได้เราก็ไปปฏิบัติที่วัดพอไปปฏิบัติแล้วกลับออกมาจากวัดหนะเริ่มยอมรับได้มากขึ้นยอมรับได้อีกยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วนะเอออันนี้พอเข้าที่อยู่นะแต่ถ้า โอ้ตอนอยู่บ้านก็ทะเลาะกับใครเยอะไปหมดยอมรับใครไม่ได้พอไปวัดก็โอ้โหทะเลาะกับเจ้าวาดอีกอันนี้ก็นิสัยเลวทแท้ะอยู่ที่เราคนเดียวนี่แหละเนียอย่างนี้ฉะนั้นใจของเรานี่แหละมันเป็นตัวประทานถ้าอยู่ที่ไหนแล้วมันไม่ดีไปที่ไหนมันก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละไม่ต้องไปเดาให้ยุ่งยากหรอกว่า เราอยู่ที่บ้านแล้วรู้สึกมันวุ่นวายไม่ดีอยู่ที่ป่าแล้วมันจะสงบเนี่ยไม่ต้องไปเดาหรอกอยู่ที่วัดคงจะสงบไม่ต้องไปเดานะอย่างนี้หลายท่านก็เดาอยู่แล้วก็หลอกตัวเองไปวันวันว่าโอ้อยู่ที่บ้านมันไม่ค่อยสงบเลยค่ะไปที่วัดห้าวันนี้สงบดีมากเลยนะพอกลับมาบ้านก็ไม่สงบอีกแล้วอยากไปวัดไปวัดสาวันโอ้สงบดีมากเลยค่ะมาบ้านก็ไม่สงบนึกว่าสงบมันอยู่ที่วัดจริงๆริงนะ ที่เป็นอย่างนั้นเป็นเพราะมันอยู่ไม่นานเฉยๆลองดูก็ได้ให้ไปบวชเป็นแม่ชีไม่ต้องไปห้าวันนะไปอยู่ทั้งชีวิตนั่นแหละในวัด น, นะก็จะกระจายฟูงขึ้นใหม่แล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นเราจะเอาแค่ระยะเวลาแค่สามวันห้าวันเจ็ดวันมาเป็นเครื่องวัดได้ไม่ได้หรอกเราต้องเอาทั้งชีวิตเราแหละเอาทั้งชีวิตจิตใจเราทุกๆอารมณ์ที่มากระทบนั่นแหละเป็นเครื่องพิสูจน์ นะเพราะไปอยู่วัดโดยมากมันจำกัดอารมณ์ใช่ไ้ยจำกัดคนจำกัดโน่นนี่นั่นมันก็ไม่มีอะไรสินะอย่างนี้ทำตรงนี้ทุกท่านจึงต้องรู้จักให้ดีๆนะให้รู้จักการปฏิบัตินี้ปฏิบัติเพื่อละกิเลสคำว่าละกิเลสนี้คือทำให้กิเลสมันไม่เกิดไม่ใช่ไปละกิเลสแบบที่แบบภาษาไทยแบบภาษาไทยละกิเลสก็คือละกิเลสใช่มแต่ว่าถ้าแบบหลักสัจธรรม กิเลสที่มันเกิดขึ้นนั้นเป็นสัจจะอันหนึ่งสรุปไม่ง่ายคืออะไรที่เกิดขึ้นก็ตามต้องเป็นสัจจะเสมอส่วนัจะเป็นสัจจะอะไรก็ค่อยว่ากันสัจจะก็คือสิ่งที่ท่านต้องยอมรับมันเป็นมรดกของพระพุทธเจ้าที่ยกให้พวกเราฉะนั้นพวกเราก็มีหน้าที่ฝึกตัวเองให้มีคุณสมบัติพร้อมที่จะรับมรดกอันนี้นะฉะนั้นแหลนะนะก็เหมือนเราเป็นลูกของพ่อแม่นะพ่อแม่จะเอา มรดกให้เราเราก็แค่ฝึกตัวเองให้พร้อมรับมรดกเท่านั้นแหละมีเท่านี้หน้าที่ของเรานะมรดกที่พระพุทธเจ้าของเราฝากไว้ก็คือสัจธรรมพระองค์มาตรัสรู้สัจจะและเอามาบอกไว้นะพระอริยสาวกท่านก็ได้สัจจะไปเยอะแล้วก็เหลือแต่พวกเรานั่งตาแห้งอยู่เนี่ยก็เนี่ยก็ต่อไปเราก็ต้องมาฝึกเห็นไหมฝึกเพื่ออะไรเพื่อจะรับมรดกอันนี้ไปพอเข้าใจไหมครับอย่างนี้พอรับไปแล้วก็จะได้ส่งต่อ ไปสู่คนอื่นต่อไปก็รับต่อกันไปเรื่อยๆเนี่ยก็มาหลายรุ่นแล้วนะจนถึงรุ่นพวกเราเนี่ยรุ่นรุ่นเกินเหรนหล่นแล้วพวกเรานะรุ่นตั้งแต่รุ่นพระพุทธเจ้าก็รุ่นแรกต่อมาก็รุ่นภาษาวกต่อมาต่อมารุ่นพวกเราก็หลายรุ่นแล้วนะนะอย่างเนี้ยพวกเราก็มาฝึกเนี่ยฉะนั้นทานศีลภาวนาต่างๆข้อปฏิบัติทั้งหลายเริ่มต้นตั้งแต่การฟังธรรมเป็นต้นนี่ก็คือการฝึกคุณสมบัติให้ พร้อมรับสัจธรรมนั่นเองทุกท่านก็เลยต้องตรวจสอบให้ดีเห็นไหมที่ผมพูดขึ้นมานี้เพื่อให้ท่านตรวจสอบนั่นแหละว่าที่เราทํามันถูกไหมทานที่เราอุตส่าห์ทำนี้มันใช่ไหมใช่หรือเปล่านะไม่ใช่ทำทำไปก็จะถูกหมดนะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะพุทธศาสนาเนี่ยศา ส, สนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาของผู้รู้เป็นศาสนาที่ยากโดยธรรมชาติของเขานะอย่างนี้แต่ว่าเหมาะสําหรับบัณฑิต ที่มีปัญญาพิจารณายิ่งพิจารณายิ่งเห็นชัดชัดในตัวเราเองนี่แหละพิจารณาทุกท่านจึงต้องพิจารณาตัวเองเสมอเอาละต่อไปเมื่อพูดโน่นนี่นั่นแล้วต่อไปก็มาพูดฝ่ายดับของเราต่อไปนะที่พูดอันนี้ก็เพื่อจะให้ท่านเข้าใจฝ่ายดับนี่แหละนะว่าเราปฏิบัตินี้เพื่อความดับดับคือไม่เกิดไม่มีไม่เกิดไม่มีเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ จึงไม่มีเพราะความดับไปของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปนะอย่างนี้ทํานองนี้เมื่ออะไรไม่มีแก่มันจึงจะไม่มีตายมันจึงจะไม่มีเรื่องวุ่นวายทั้งหลายนี่มันจึงจะไม่มีก็เพราะเมื่อเกิดไม่มีนั่นแหละเมื่อเกิดไม่มีความวุ่นวายทั้งหลายก็จะไม่มีเนี่ยถ้าเรายอมรับได้มันก็ไม่มีปัญหาไหมวุ่นวายมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเรายอมรับได้เพราะเกิดมันมี ถ้าจะไม่วุ่นวายก็เกิดไม่มีเท่านั้นแหละมันจึงจะไม่วุ่นวายก็แค่นั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วต่อไปมันก็ดับทุกแล้วตัณหามันเกิดไหมตัณหาไม่เกิดแล้วเนี่ยแหละเขาเรียกว่าดับตัณหาตัณหาไม่มีไม่เกิดเพราะมีความรู้เข้าใจชัดเจนทั้งฝ่ายเกิดฝ่ายดับถ้าเข้าใจมาถึงฝ่ายเกิดฝ่ายดับเนี่ยตัณหาจะไม่มีแล้วมันก็ถ้าตัณหาดับไปหมดไปโดยสิ้นเชิงก็นิพพานแล้ว ถ้ายัางไม่สิ้นเชิงมันก็ค่อยๆดับไปเรื่อยดับไปเรื่อยดับคือมันไม่เกิดไปเรื่อยๆฉะนั้นสิ่งใดที่เราได้กําหนดรอบรู้แล้วได้รู้จักมันตามจริงแล้วสิ่งนั้นก็จะไม่เป็นที่ตั้งให้เกิดตันหาเท่านั้นเองเราก็เลยต้องค่อยๆรู้ไปเรื่อยๆรู้พยายามฝึกให้เกิดปัญญาถ้ามีปัญญาแหลมคมจนสว่างสวัยทั่วทั้งจิตของตนแล้วน่ะโลกทั้งปวงก็สว่างไปหมดไม่มีปัญหาอะไรเพราะตนต่อมันอยู่ที่ อวิชชาในใจเราใช่ไหมถ้าใจของเรามันสว่างเข้าใจชัดและอะไรเป็นอะไรมันก็ปัญหามันก็หมดนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้สุขทุกข์ก็เหมือนกันนะสุขมันก็เกิดเพราะผัสสะเมื่อผัสสะอย่างนี้อย่างนี้มีสุขสบายใจอย่างนี้อย่างนี้จึงมีขึ้นนะทุกท่านต้องแม่นๆมนะ่นะสุขไม่ได้เกิดจากบุญนะนะนะหลายท่านก็มกักจะ เฮ้ยทำบุญแล้วสบายใจอะไรก็ว่าไปก็คิดไปนะก็ก็ถูกเหมือนกันนะแต่ว่าคิดแบบนั้นหรือว่าพิจารณาแบบนั้นมันจะหมดกิเลสไหมมันไม่หมดนะตอนนี้กําลังจะบอกวิธีที่มันจะหมดกิเลสตอนนี้นะคนละชั้นกันนะตอนเนี้นะต้องฟังให้ดีๆฟังให้แม่นๆเราจะไม่เอาระดับดีแล้วนะเพราะระดับดีมันก็ได้มาเยอะแล้วนะก็จะได้รู้จักระดับเหนือขึ้นไปเลยระดับที่เข้าใจสัจจะความจริงที่มาของ ความสุขสบายที่เป็นเวทนามันก็เกิดจากผัสสะเมื่อผัสสะไม่มีสบายจะมีไหมมันก็ไม่มีนะฉะนั้นความสุขก็เป็นแค่ของลมๆแรงๆนะไม่ได้มีอะไรเมื่อผัสสะหมดสุขสมันก็หมดก็ไม่เห็นมีอะไรทุกก็เหมือนกันทุกก็เกิดจากผัสสะเมื่อผัสสะไม่มีทุกก็ไม่มีถ้าผัสสะยังมีอยู่ทุกขข<ๆ>ก็ยังต้องมีอยู่สุขก็ยังต้องมีอยู่ฉะนั้นว่าไปแล้วสุขทุกมันก็เป็นภาระเพราะว่ามันต้อง มีเมื่อมันมีผัสสะเห็นไหมมันก็เท่าเทียมกันเองมันก็เป็นสิ่งที่เกิดจากผัสสะและผัสสะมันก็มาจากตาหูจมูกลิ้นกายฉันยังมีตาอยู่ก็ต้องมีผัสสะอยู่มันก็เหนื่อยอีกและจะไม่เหนื่อยก็ไม่ได้เพราะมันยังมีอยู่จะเลิกเหนื่อยเลิกได้ดูก็ต่อเมื่อตามันดับไปหรือตามันไม่มีหูมันไม่มีเท่านั้นเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้นะมันก็เลยเป็น สัจธรรมเป็นความรู้เข้าใจว่าโอ้การเห็นได้ยินที่ต้องมารับผัสสะต้องมารับรู้เรื่องโลกต่างๆและต้องมารู้สึกสุขต้องมารู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าเพลิดเพลินไม่น่ายินดีไม่มีภาวะอะไรที่น่ายินดีเลยตัณหามันก็ไม่เกิดเห็นไตัณหาในความสุขก็ไม่เกิดตัณหาในความทุกข์ก็ไม่เกิดตัณหาในเฉยๆก็ไม่เกิดตัณหาไม่มีตัณหาไม่เกิด ก็คือดับตัณหาดับตัณหาก็คือดับทุกคือทุกไม่มีทุกไม่เกิดเพราะเข้าใจนั่นเองเห็นนะเข้าใจเนี่ยความเข้าใจความรู้ที่ชัดเจนนี้ตัณหาจึงจะไม่เกิดนะฮะไม่มีวิธีละตัณหาอื่นนะวิธีละตัณหาวิธีละกิเลสมันมีวิธีเดียวคือต้องรู้อันนั้นให้ชัดเจนต้องรู้อันนั้นให้ครอบคลุมไม่ลังเลไม่สงสัยมีความแจ่มแจ้งชัดนั่นแหละ ทัเี้ยทงพุทธเราก็เลยเวลาทำอะไรทุกท่าน เ, าเลยต้องทำด้วยความชัดเจนทั้งหมดถ้าทำด้วยความไม่ชัดเนี่ยมันก็จะไม่มีทางที่จะได้ผลจริงพอกระถินถ้าไม่ชัดในการกระทำว่าทำเพื่ออะไรทำมอย่างไรกระถินคืออะไรก็จะไม่มีผลต่อการละกิเลสแต่จะมีผลต่อการเป็นประธานกระถินคือท่านจะต้องเสียเงิน 5,000 ัน หมายถึงว่าประธานเนี่ยเขาให้ 5,000 หรือบางที่ก็อาจประธานหนึ่งพันรองประธาน500รก็ว่าไปก็ได้หน้าได้ตาไปได้ความดีไปก็ไม่ว่ากันนะนะแ ต, แต่แต่จะไม่มีผลต่อการละกิเลสนะนอย่างนี้ทนนํานองนี้ฉะนั้นทุกท่านเวลาทําอะไรก็เลยต้องชัดเจนในการกระทำไห่หมดนะให้หมดเลยในการไปทํางานนี่ก็ต้องชัดเจนว่าทํางานทําไมเพื่ออะไรอย่างไรงานนี่เขาสร้างขึ้นมาเพื่ออะไร นะงานต่างๆงเนี่ยนะงานเขาก็สร้างขึ้นมาเพื่อให้เรามาทำมาหากินแล้วก็มีเงินเงินนี่มันคืออะไรมันคือของแรกเปลี่ยนเอาไว้ใช้มันเป็นแค่ปัจจัยปัจจัยนี่ก็คือเครื่องบำรุงร่างกายเท่านั้นแหละปัจจัยเลยปัจจัยไปมันก็ผิดหมดทั้งนั้นแหละเนะงินนี่มันเป็นแค่ปัจจัยบ้านก็เป็นแค่ปัจจัยที่ทางานก็เป็นที่หาปัจจัยเท่านั้นปัจจัยเอามาทาอะไร เอามาซื้อข้าวให้ร่างกายมันกินมีวัตถุประสงค์เท่านี้นะถ้าเกินนี้คือกิเลสคือมันก็ผิดนั่นเองผิดถ้าผิดเลยวัตถุประสงค์อะไรตามมาตัณหาตามมาเห็นไหมพอเข้าใจไหมแต่ถ้าไม่เลยวัตถุประสงค์ตัณหาก็ไม่มานี่พอเข้าใจไหมครับในคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็เล ย, นะเเยให้พิจารณาหมดเลยนะถ้าเป็นพระเนี่ยให้พิจารณาหมดเลยเช่นจะทานอาหารนี่ทานเพื่ออะไรครับอ่า ไม่ใช่เพื่อเล่นเพื่อมัวเมาประดับตกแต่งหรือเพื่อให้อ้วนให้ผอมอะไรทั้งนั้นแต่เพื่อให้กายนี้เป็นไปได้มันเป็นปัจจัยของการเป็นไปได้ของร่างกายเท่านั้นถ้าตรงวัตถุประสงค์ปุ๊บเนี่ตัณหาในอาหารก็จะไม่มีไม่เกิดขึ้นถ้าไม่ตรงวัตถุประสงค์อะไรเกิดตัณหาเกิดถ้าตรงวัตถุประสงค์คือปัญญามันเกิดมันมีเห็นไหมมีวิ ช, ชาชัดในการทานอาหารนอนนี่เพื่ออะไร อนะอย่างนี้นะแต่พวกเรานี้นอนเพื่ออะไรครับแหมหมอนข้างก็รออยู่นะนะเป็นเวลาแห่งความบันเทิงแห่งความสุขเครียดจากงานมาทั้งวันนะเป็นเวลาอะไรของเขาแล้วแต่เขาจะคิดไปตั้นหามันก็เกิดขึ้นเห็นไหมนี่มันไม่ชัดเจนในเงื่อนไขหรือว่าในปัจจัยต่างๆนะพวกปัจจัยสี่ก็เลยเป็นแค่ปัจจัยสาหรับ เปียงร่างกายทุกท่านก็เลยต้องพิจารณาการทํามาหากินเงินทองอะไรต่อมีอะไรทั้งหมดนี่เป็นแค่ปัจจัยต้องหัดต้องหัดถ้าหัดได้ตันหากับเรื่องพวกนี้ก็จะลดลงแค่นี้แหละนะแต่ถ้ายังไม่ได้ทําตันหามันเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นสัจจะเหมือนกันนะเป็นสมุทยัยต้องรู้จักนะส่วนเราก็ไปพิจารณาบ่อยๆถ้าเข้าใจมันแล้วชัดเจนแล้วตันหามันก็จะลดลงแล้วไม่เกิดแล้วอย่างนี้ทำตรงนี้ ทานก็เหมือนกันอะไรก็เหมือนกันนะเราทำทานนี้เพื่ออะไรถ้าไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของทานอย่างชัดเจนถูกต้องเนี่ยตัณหาในทานมันก็จะเกิดมันก็หวังผลก็เกิดความหวังหลบหลุมแรงแรงว่าเราให้ทานเนี่ยเราก็ถือว่ามีอยู่มีกินเยอะเรามีสบียงมากฉะนั้นสบายใจไหมครับก็สบายใจโง่หรือยังครับโง่แล้วตายแล้วฮะอย่างเงี้ยเห็นหนั่น หลายท่านก็คิดอย่างนี้ทำบุญเยอะอทำบุญไว้เยอะๆจะได้มีอยู่มีกินสบายใจโน่นนี่น่ะ ก, ก็ว่าไปเนี่ยนี่ล้วนเป็นความประมาททั้งนั้นเลเนี่ก็คือทำทานแต่งโง่เห็นไหมเนี่ยมันก็ห่างไกลาจากปัญญาไปไกลมากจริงๆนะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ใครประมาทเลยแต่พวกเรานี้เอาคำสอนของพระองค์มาทำสเสละไปหมดเลยนะก็คือไม่ได้ทาตามคาสอนนั่นแหละเหลือแต่พิธีเหลือแต่ อะไรคล้ายๆะแอบแอบได้แต่ชื่อนอย่างนี้แต่ผิดวัตถุประสงค์ไปหมดฉะนั้นผิดวัตถุประสงค์ไปหมดก็คือไม่ได้ทําตามนั่นแหละเพียงแต่อาการมันคล้ายๆนะอาการมันคล้ายๆเนาะเหมือนกับเอาพระเหลืองมาหอมแต่ว่าเป็นพระปลอมอะคล้ายๆอย่างนั้นนะเคยเห็นพระปลอมไหมครับพระปลอมอะนะก็เอาพระเหลืองมาหอมเหมือนคล้ายๆพระนะอย่างนี้เป็นต้นนะคล้ายๆกันเลยแต่ปลอมเหมือนพวกเราตอนนี้ก็อ่าก็อะไรให้ทานก็ยังปลอมได้ อย่าว่าแต่ให้ทานแลยขนาดบวชพระยังปลอบได้เลยทำไมทานมันจะปลอมไม่ได้มันก็ปลอมได้ทั้งนั้นแหละนี่มันเป็นอย่างนี้นะครับนี่ก็คือพูดให้ฟังถึงวิธีการในการละตัณหาเป็นฝ่ายดับนะบพวกข้อปฏิบัติทานศีลภาวนาทั้งหลายก็เลยเป็นข้อปฏิบัติในฝ่ายมักที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เป็นข้อปฏิบัติที่จะทาให้เข้าใจสัจธรรม เข้าใจความจริงแล้วก็ยอมรับความจริงหมดสิ้นตัณหาเนี่ยต้องหัดพิจารณาตรงนี้จึงจะช่วยให้เข้าใจได้ลึกซึ้งขึ้ น, นอันนี้ฝ่ายดับเพราะความดับโดยการสํารอกให้หมดไปไม่เหลือซึ่งอวิชชานั้นนั่นแหละด้วยวิราคะต้องทำลายอาวิชชาไปอวิชชาจะทำลายได้ก็ด้วยวิชาด้วยความรู้วิชาจะเกิดขึ้นก็ด้วยมักนะพวกเราก็เลยต้องมาเจริญมัก ถ้าพูดขยายในแต่ละมรรคก็ว่าก็ละมิจฉาทิฏฐิด้วยสัมมาทิฏฐินะทุกท่านก็ต้องมาฝึกฝึกนะมิจฉาทิฏฐิมันก็ยังเกิดได้เรื่อยเื่อยเรื่อยเรื่อถ้ามิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นท่านไม่ต้องไปรังเกียจมันอนะ่สิ่งใดที่มันเกิดมันต้องเป็นสัจจะอันใดอันหนึ่งเสมอให้ยอมรับว่าโอ้เรายัางโง่อยู่เนาะยอมรับก่อนต่อไปเราก็ไป เจริญสัมมาทิฏฐิเยอะๆมาฟังธรรมแล้วก็โยนิโสมนสิการใส่ใจปฏิบัติไปนะก็ละมิจฉาทิฏฐิด้วยสัมมาทิฏฐิก็คือคำว่าละก็คือมันไม่เกิดไม่ใช่อันที่เกิดแล้วนะถ้ามีสัมมาทิฏฐิแล้วมิจฉาทิฏฐิก็จะไม่เกิดนะทุกท่านก็ไปพิจารณาดูนะถ้าหมอดูหมอเดาเขาทักมาว่าคุณเนี่ยดวงไม่ดีนะคุณ วันที่คุณเกิดนะั้นมันปีชงนะอย่าง น, นี้นะถ้ารู้สึกว่าเชื่อเขาขึ้นมาหรือว่ารู้สึกวันไหวขึ้นมาอันนี้ก็เป็นสัจธรรมอันหนึ่งอันนี้ก็เป็นสมุทัยแล้วมันไม่รู้เรื่องแล้วมันโง่แล้วมันหลงแล้วเราไม่ต้องละดอกตัวเนี้เราก็อยากให้แบบนี้มันเกิดอีกวิธีจะไม่เกิดอีกเราก็ละด้วยสัมมาทิฏฐิก็ไปสร้างสัมมาทิฏฐิมาว่าเรานี้มาตามกรรมไปตามกรรมนะไม่ได้มาตามดวงดาว ดวงดาวมันไม่ได้มีอิทธิพลกับเราหรอกหรือมันจะมีมันก็มีน้อยมากเพราะมันไกลเรามากคนที่มีอิทธิพลกับเราก็ควรจะเป็นคนใกล้ๆเราเช่นสามีเราอาจจะตบเราเมื่อไหร่ก็ได้เพราะมือมันดีอยู่ตบปั้งขึ้นมาก็หงายได้ฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวหลบให้ดีอือย่างนี้เป็นต้นนะแทนที่จะไปเชื่อว่าดวงดาวมีอิทธิพลก็สามีมีอิทธิพลเยอะกว่าก็าจะเตะเราเมื่อไหร่ก็ได้จะด่าเราเมื่อไหร่ก็ได้หมาน้อยยังมีอิทธิพลเยอะกว่าดาวพฤหัสอีกนะทําไมมันอย่างนั้นน่ะ ก็ดาวรฤหัสเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เราลําบากอะไรหรอกแต่ถ้าเลี้ยงหมาน้อยขึ้นมาแล้วเป็นไงครับโอ้โหลําบากกว่าดาวพฤหัสอีกทําไมมันอย่างนั้นอ่ะโอ้เดี๋ยวมันก็ไม่สบายต้องพามันไปหาหมอฉีดยาอีกแล้วนี่ยมันไปกัดชาวบ้านนี่กอีกโอ้ยวุ่นเดี๋ยวมันเนงี้ยงี้วุ่นวายไปหมดสรุปแล้วระหว่างดาวพฤหัสกับหมาน้อยอะไรมีอิทธิพลกับชีวิตเรามากกว่ากันครับนี่หมาน้อยโอ้สบายแล้วบัลลังไปหาหมอดูแล้วก็อุ้มหมาน้อยไปเลย โอ้ยดวงดาวนน่นนี่นั่นปีชงมีอิทธิพลต่อคุณนะคุณหมอโนเว่ห no มาน้อยเนมีอิทธิพลเยอะกว่าเสียเงินกับมันไปตังเยอะแล้วส่วนปีชงปีอะไรมันจะมีอะไรมันก็ อ, อยู่ของมันมันจะเกี่ยวอะไรล่ะเนี่ยเราชัดให้มันชัดนะรู้จักไหมถ้ามันไม่ชัดไม่มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยวิชารถิฏฐิมันจะออกไหมมันไม่ออกนะนะอย่างนี้ฉะนั้นทุกท่านจึงต้องมีวิชชาเพื่อละอวิชชานั่นเอง ต้องพิจารณาทุกเรื่องให้ชัดเจนนะเนี่ยก็ถ้าพูดแบบมักก็กระจายทุกข้อออกไปก็ถ้ามีมิจฉาทิฏฐิอยู่ก็ไม่ต้องไปละมันตัวเนี้มันเกิดก็ยอมรับมันพอยอมรับมันแล้วต่อไปเราก็ไปฝึกฝึกเพื่อให้มันไม่เกิดอย่าให้มันเกิดอีกไอ้ตัวนี้นะวิธีจะไม่ให้มันเกิดเขาเรียกว่าละมันละด้วยสัมมาทิฏฐิละมิจฉาทิฏฐิด้วยสัมมาทิฏฐิอย่างนี้พอเข้าใจไหมนะถ้าเรายัางเห็น คนนั้นโอ้อย่างนี้อย่างนี้ทําไมคนนี้เป็นอย่างนี้งี้อยู่เราก็รู้ยอมรับว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้นะต่อไปเราก็ต้องไปฝึกให้มันละอันนี้ละอันนี้ไปสิละทําไมเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เอาอ๋อมาใส่แทนนะอ๋อมันเป็นอย่างนี้อ๋อมันเป็นอย่างนี้อ๋อคนนี้มันเป็นอย่างนี้อ๋อคนนี้มันอ้วนคนนี้มันนิสัยงนี้คนนี้มันเดินสวยคนนี้มันเดินไม่สวยคนนี้มันนิสัยดีคนนี้มันนิสัยไม่ดีในโลกมันเป็นอย่างนี้แหละหนออ๋อเนี่ยเอาอันนี้มาละ ทำไมออกแบบอันนี้มาไอ้ทาไมก็หายไปแต่ถ้าอันนี้ไม่มาทําไมมันจะหายไหมมันก็ไม่หายมันก็เกิดอยู่นั่นแหะอย่างนี้เราก็เอ้ยทําไมไอ้มอเตอร์ไซค์คันนี้มันตัดหน้าเราทําไมไอ้คนนั้นมันขับช้าแท้ทาไมคนนี้มันขับเร็วแท้อันนี้มันก็ไม่ออกทันทเราก็รับรู้ถ้ามันเกิดแล้วให้ยอมรับทีนี้วิธีดับมันนิโรธมันก็คือไม่ให้มันเกิดวิธีจะไม่ให้มันเกิดก็เอาอันอื่นมาใส่แทนที่มันถูกต้อง และมิจฉาทิฏฐิด้วยสัมมาทิฏฐิอ๋อไอหมอนี่มันมีคนตัดหน้าไอหมอนี่มันขับช้าหมอนี่มันขับไวหมอนี่มันเป็นเต่าหมอนั่นมันเป็นจรวดหมอนั่นมันเป็นนน่นนี่นั่นนั่นโน่นนี่นัน่ น, น, นมีอันนี้หมดแล้วไอทำไมหมอนั่นหมอนี่เกิดไหมไม่เกิดแล้วแค่นี้แหละฟังดูง่ายไหมครับเนี่ยฟังดูง่ายทั้งนั้นแต่ว่าทําเป็นไงเกือบได้แล้ว ไอ้เกือบนี่แหละค้ามาตั้งนานเลยไ อ, เอ้เกือบเนี่ยเกือบเกือบแล้วเนี่ยเนี่ยทุกท่านก็ลองไปฝึกตรงเนี้ยฝึกเห็นไหมเนี่ยเนี่ยที่บอกวิธีเนี่ยนะต้องไปฝึกนะต้องไปหัดถ้าไม่ฝึกนี้จึงไม่ได้เลยต้องฝึกฝึกทั้งหมดแต่ต้องทำให้ถูกต้องฝึกอันนี้เพื่ออะไรก็เพื่อละเห็นไหมเนี่ยเพื่อละนะเพื่อละละคือมันไม่เกิดมันไม่มีไม่อย่างนั้นน่ะถ้าเราไม่ฝึกอันใหม่ขึ้นมาอันเก่ามันก็ยังเกิดอยู่อ่าถ้าพูดในแบบมรคแปดกระจายถ้าพูดอันเดียวก็อ้าว สร้างมรรคแปดขึ้นมาเพื่อให้เกิดวิชาเอามาละอวิชาเพราะอวิชาไม่มีสังขารมันมีไหมมันก็ไม่มีอวิชาไม่เกิดสังขารก็ไม่เกิดสังขารไม่เกิดวิญญาณก็ไม่เกิดนามรูปไม่เกิดไล่ไปเนี่ยตามหลักทั่วไปท่านก็เลยว่าเพราะอวิชาดับโดยการสํารอกให้หมดไปไม่เหลือคำว่าดับคือไม่เกิดอย่างที่พูดให้ฟังบ่อยๆนะไม่เกิดไม่มีแล้วนะ เพราะอวิชชาไม่เกิดสังขารก็ไม่เกิดวิญญาณก็ไม่เกิดเพราะวิญญาณไม่มีนะเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับอายตนะหกจึงดับเพราะอายตนะหกมันดับปัสสะก็ดับนะเพราะปัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับอุบทานจึงดับเพราะอุปทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับ เพราะชาติดับชรามราณะโสกปริเทวะทุกโทมนัตุปายาสจึงดับนะมันก็ดับเพราะเหตุดังนี้แหละถ้าพูดแบบสูงสุดเลยก็คือเราดับอวิชชาสดับคืออย่าให้มันมีอย่าให้มันเกิดทีนี้ที่จะเกิดวิชาขึ้นมาเป็นแสงสว่างแทนที่ความมืดเนี่ยเหมือนตอนนี้มันสว่างนะ มันสว่างความมืดมันก็ดับไปดับคือความมืดไม่มีที่ความมืดไม่มีเพราะว่ามันสว่างแค่นั้นเองมันไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เหมือนเราเนี่ยที่เรายังผิดอยู่เพราะมันไม่สว่างเราก็ใส่ความสว่างเข้าไปให้ได้ทุกๆอันทุกๆอันนะอย่างนี้ทำอนองนี้ใส่ลงไปในใจของเราถามใจเราว่าชัดไหมเรื่องนี้เข้าใจชัดไหมเรื่องนี้ทานเข้าใจชัดไหมศีลเข้าใจชัดไหมนะ คนนี้เข้าใจชัดไหมว่าเข้ามาตามกรรมไปตามกรรมไม่ชัดเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดตันหาขึ้นตันหาเราก็ต้องยอมพระบ้นเป็นสัจจานะแล้วชัดไหมถ้าชัดตันหาก็ไม่เกิดทุกข์ก็ไม่มีเท่านี้เองนะเนี่ยทุกท่านก็เลยต้องชัดทุกๆเรื่องนะทุกๆอันนะฟังธรรมก็ต้องชัดถ้าไม่ชัดมันก็จะงงจะสงสัยจะงงจะลังเลนะถ้าชัดมันก็ ไม่งงไม่ลังเลยการปฏิบัติสมาธิทำวิปัสสนามันก็ต้องชัดมันไม่เกี่ยวกับวิธีมันเกี่ยวกับเราชัดไหมทาทานก็ไม่เกี่ยวกับว่าไปวัดไหนเกี่ยวกับว่าชัดไหมพอเข้าใจไหมหลายท่านก็ไปมาหลายวัดแล้วนึกว่าเกี่ยวกับวัดนะเลยไปหลายวัดจนไม่ยอมหยุดนะทุกวันนี้ก็ยังไปอยู่คงยังไม่เจอละมั้งคะโอ้คงชาตินาจะเจอเลือมั้งก็ว่ากันไปเอากันไปเอากันไป เพราะมันไม่ชัดอย่างนี้พอเข้าใจไหมถ้ามันชัดแล้วก็ไม่ต้องไปไหนเราก็มันชัดอยู่แล้วไงนี่มันเป็นอย่างนี้นะทุกท่านก็เลยต้องถามตัวเองให้ดีๆนะไม่งั้นจะวุ่นๆวายๆอยู่นะเกิดมาเพื่ออะไรเนี่ยทําไมชัดหรือยังเนี่ยถ้ายังไม่ชัดก็เกิดใหม่ก็แล้วกันเนาะมันก็เป็นอยู่อย่างนี้นะเนี่ยเกิดมาทําไมเพื่ออะไรอย่างไรถ้ามันชัดมันก็จบนะมีครอบครัวขึ้นมาทําไมเพื่ออะไรถ้าชัดมันก็จ บ, บทํางานทําไมเพื่ออะไรอย่างไรมันก็จบแต่ถ้าไม่ชัด โอ้ยว oh, ุ่นวายโน่นนี่นั่ น, นมันก็ไม่จบเลยมันก็วุ่นอยู่เนี่ยมันไม่ชัดเจนไอชัดนี่คือวิชาแนเนเองความเข้าใจเรื่องนั้นๆเนี่ยวิชาก็วิมุตใช่ไหมพอชัดมันก็พ้นจากอํานาจของอันนั้นไปพ้น ล, ล้วจะดีจะชั่วจะถูกจะผิดจะสงบไม่สงบก็บช่างมันเถอะเราพ้นไปแล้วเนี่ยใช่ไหมเราชัดแล้วนะนี่มันเป็นอย่างนี้นะโลกเขาจะ ดีบ้างไม่ดีบ้างจะวุ่นวายไม่วุ่นวายจะสงบไม่สงบมันก็เป็นอย่างนี้ของมันเราชัดแล้วพอชัดแล้วมีตันหาไหมไม่มีตันหาไม่มีแล้วก็ผลจากอํานาจของตันหาเขาเรียกว่าวิชาแล้วก็วิมุดนี่พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะทุกท่านก็เลยต้องให้ชัดนะจากเรื่องเล็กๆน้อยก็ได้อะไรก็ได้นะการชัดเจนเนี่ยไม่จําเป็นต้องเรื่องลึกลับอะไรชัดเจนเรื่องเล็กๆ ก, ก็พอ ขอให้มันชัดเราก็ไม่สงสัยเพราะที่เราต้องการคือเราต้องการละกิเลสละความสงสัยลังเลเท่านั้นแหละนะไม่จําเป็นต้องรู้เหมือนชาวบ้านให้ชัดในเรื่องของเราก็พอไม่จําเป็นเพราะชัดแล้วมันก็ความไม่ชัดก็หายไปมันก็จบและปัญหาหมดแล้วจบพอกรรมฐ า, านเนี้เราทําแล้วชัดสําหรับเราก็จบแล้วไม่ต้องทําอันอื่นบางท่านนี่ทําหมดนะทำเป็นหมดทุกอาจารย์ทําเป็นหมด ทำเป็นหมดแต่ไม่ชัดสักอันทำเป็นหมดหาไปเรื่อยนะเข้าคอร์สนั้นออกคอร์ส น, น, น, นี้นู่นนี่นั่นวุ่นวายคงจะยังไม่ถึงเวลาของดิฉันละมังคะอ่ารอเวลาไปสิจะตายก่อนแล้วนี่ยมันเป็นอย่างไ้นั่นแหละก็เรียก ว, ว่าความชัดเจนฉะนั้นทุกท่านทําอะไรทุกอย่างจะต้องชัดนะว่าเราทํากรรมฐานนี้ทําไปทำไมทําเพื่ออะไรทําเอาอะไรแกนสาระอยู่ตรงไหน สมาธิเนี่ยจะนั่งหรือไม่นั่งก็ไม่ใช่ประเด็นหรอกสาระมันอยู่ที่ความตั้งมั่นเป็นหนึ่งฟังธรรมก็เป็นสมาธิเพระเป็นสมาธิแล้วก็ไม่ต้องนั่งบางท่านโออาจารย์ยังไม่ได้พานั่งสมาธิเลยตอนฟังธรรมก็มีสมาธิดีพออาจารย์ฟังนั่งพานั่งสมาธิหลับแต่ดีใจว่าอาจารย์ได้พานั่งอันนี้มันก็โง่จนขี้เกียจจะโง่แล้วนี่มันหลงมันจะเอาแต่พิธี ก็นั่งฟังธรรมมันก็มีสมาธิแล้วจะไปนั่งทําไมลูกสวดมนต์มันก็มีสมาธิแล้วจะไปนั่งทําไ ม, ม, ก, ม, ม, าไไมก็นั่งให้มันหลับค่ะ <S <S ถ้าไม่ได้นั่งมันไม่สบายใจค่ะมันก็คิดเป็นอยู่เท่าเนี้มันก็เลยเป็นคนอยู่เท่าเนี้ไงแล้วก็มีดีมีชั่ววนอยู่เท่าเนี้คือไม่เอาแก่นไงไม่เอาสาระส่วนในคําสอนของพระพุทธเจ้าเขาฟังฟังเสร็จบรรลุเขาไปนั่งสมาธิไหมไม่ต้องไปนั่งบรรลุแล้วไงไม่ต้องทําได้แก่นแล้วแต่ถ้ายังไม่บรรลุก็ไปนั่งสา ไปอะไรซะให้มันได้แก่นสารส่วนพวกเราฟังเสร็จต้องนั่งค่ะนั่งทําอะไรหลับค่ะงุ น, น, นเห็นไหมตอนฟังก็มีสติดีสมาธิดีปัญญาดีส่วนตอนไปนั่งไม่ได้คิดอะไรเลยหัวสมองแบ a ค์ไปหมดเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยเห็นไหมทุกท่านก็เลยต้องชัดเจน น, นี่ยชัดเจนในการกระทาฉะนั้นนั่งนิ่งๆนะถูกแล้วดีแล้วชัดไหมเราทําเพื่อแก่นอะไรได้แก่นสารไหม แกนนี้มันไม่อยู่กับท่าทางนะมันอยู่กับสาระของมันเช่นสาระของสมาธิก็คือจิตมั่นคงสาระของปัญญาวิปัสนาคือยอมรับความจริงตอนนี้แหละสาระของมันมีเท่านี้ไม่จําเป็นว่าคุณจะรู้รูปนำกันห่ารู้อันนี้จังอ๊ยรู้พูดได้เยอะเท่าไหร่ก็ช่างมันเถอะโดนด่าสักทีเป็นไงบ้างพวันออกหูเลยอย่างนี้มันได้ที่ไหนละ่ะมันไม่เกี่ยวแล้วมันเกี่ยวกับ ปัญญาเนี่ยมันอยู่ที่การยอมรับสัจจะเท่า น, นั้นแหละยอมรับความจริงนะไม่จำเป็นต้องว่าต้องรู้เยอะรู้มากรู้น้อยอะไรเนี่ยอย่างนี้พอเข้าใจไหมรู้มากก็ยิ่งดีรู้น้อยก็ไม่เป็นไรให้มันได้สัจธรรมก็แล้วกันได้สาระเราเรียกเนาะได้สาระเนาะคาว่าสาระก็คงรู้จักอยู่ได้แก่นมันนะนะบางท่านเนี่โอ้ยอะไรแหมเขาเรียกว่าอะไรเอซเรี่เพียบนะ แต่สารารู้สึกจกน้อยเหลือเกินเหมือนพวกเราเนี่ยใช้ชีวิตเนี่ยวั้งรวยทั้งเงินทั้งทองบ้านที่ดินแต่สาระในชีวิตนี่นะโอ้ไม่มีเลยเนี่ยมันก็แหมอย่างเนี้สู้อยู่ใต้ต้นไม้น่าจะดีกว่าละมั้งนั่งดูลมหายใจซะหน่อยจะได้มีแก่นสารสาระอะไรบ้างว่ามันเกิดมาทําไมเพื่ออะไรนะอย่างเนี้ยทํานองนี้นะมันไม่ได้อยู่ที่วัดกันที่เครื่องประดับอะไรเยอะแยะนะ กรรมฐานก็ไม่ได้ว่าต้องทําลึกลับพิสดารอะไรจนกระทั่งว่าไม่มีท่าทางเลยก็ยังได้จนกระทั่งแค่นั่งฟังถ้าเขาบรรลุไปก็ก็ไม่เห็นต้องไปทําอะไรลึกลับพิสดารอะไรเพราะเขาได้สาระแล้วพอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นี่นะอันนี้ให้ทุกท่านมุ่งเน้นไปที่แก่นที่สาระอย่าพากันไปต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เนี่ยมันเป็นทิฏฐินะพวกนี้นะเป็นทิฏฐิเขาเรียกสีลัพตะประาปรมาต เป็นทิฏฐิการยึดข้อปฏิบัติว่าจะต้องอย่างนี้จะต้องอย่างนั้นนักภาวนาจะต้องนั่งสมาธิจะต้องดูนิ่งๆจะต้องเขาไม่มีอย่างนั้นหรอกจะทำก็ได้ก็ไม่ได้ว่าหรือบางคนแค่ฟังเขาบรรลุแล้วเขาเป็นนักภาวนาหรือเปล่าละ่ะเขาก็เป็นแล้วไงก็พอแล้วมันเขาได้สาระของการพัฒนาแล้วอย่างนี้ทำตองนี้นะครับอันนี้ผู้ในฝั่งท่านทั้งหลายก็จะได้ เข้าใจนะก็ตัวหลักของฝ่ายดับเลยถ้าพูดตัวหลักเลยก็คือละอวิชาเสียทําลายอาวิชาทีนี้คําว่าละอวิชาก็ไม่ใช่ละอวิชาหรอกหมายถึงอวิชามันไม่เกิดมันไม่มีที่อวิชามันไม่เกิดไม่มีความมืดไม่เกิดไม่มีเพราะมันมีวิชามีความสวรรม่างที่มีวิชาขึ้นมาก็เพราะมีมรรคแดนะทีนี้ถ้าขยายในมรรคแปดลงไปขยายออกไปให้มันละเอียดขึ้นนะ ถ้าอันนี้เราพูดรวมๆถ้าขยายละเอียดก็ละมิจฉาทิฏฐิด้วยสัมมาทิฏฐิท่านก็ต้องไปฝึกให้มีสัมมาทิฏฐิถ้ามิจฉาทิฏฐิมันเกิดขึ้นก็ไม่ต้องไปว่ามันให้ยอมรับให้รู้จักว่านี่มันเป็นสัจจะอันหนึ่งนะเป็นสัจจะอันหนึ่งทีเดียวอะไรที่เกิดขึ้นมันเป็นของดีทั้งนั้นเป็นของดีเพื่อเราจะได้ยอมรับมันนะฟังหมอดูแล้วรู้สึกหวั่นไหวอันนี้ดีไหม ดีคือทําให้เรารู้จักว่านี่มันเป็นสัจจะอันหนึ่งนะต่อไปเราจะได้ละมันสัจจะอันนี้มันเป็นของขวรละเรารู้จักก่อนว่าเป็นสัจจะคำว่าละก็คือไม่ให้มันเกิดวิธีจะไม่ให้มันเกิดก็คือต้องไปสร้างอีกกันหนึ่งมาละมันละมิชฌาทิฏฐิด้วยสัมมาทิฏฐิเราก็ไปสร้างสัมมาทิฏฐิขึ้นมาต่อไปก็ไปฟังเขาอีกฟังเขาอีกแล้วก็อ๋อไม่วุ่นวายแล้วเนี่ยพอเข้าใจไหมอย่างนี้ มงคลตื่นข่าวอื่นๆก็คล้ายกันสิ่งต่างๆในโลกก็เหมือนกันอย่างนี้จนกระทั่งละเอียดก็เนี่ยเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยเราก็ละอันนี้ด้วยสัมมาทิฏฐิระดับสูงถ้าเห็นสัจจะแล้วว่าอ๋อมันมีแต่รูปธรรมนามธรรมมีแต่ขันห้ามันก็จะละผู้หญิงผู้ชายละสมมติบัญญัติออกไปแต่ก็รู้อยู่สมมติบัญญัติมันก็มีอยู่แต่ว่าเราละออกไปแล้ว มันไม่เกิดไม่เกาะเกี่ยวแหละนะไม่หลงผิดไม่เข้าใจผิดแล้วเพราะอะไรละ่ะก็เพราะรู้ว่านี่มันเป็นรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันรู้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงก็ละความเข้าใจผิดว่ามันเที่ยงออกไปแล้วอย่างนี้ทำตองนี้นะครับฉะนั้นท่านปฏิบัติเนี่ยไม่ว่าจะดูอันนี้จะลักษณะก็ดีทุกขลักษณะก็ดีเราก็ต้องรู้ว่าเราดูหรือพิจารณามันเพื่ออะไรนะ ดูว่ามันไม่เที่ยงเพื่อจะละอะไรล่ะก็เพื่อจะละความเข้าใจผิดว่ามันเที่ยงเราต้องสังเกตว่าเราละได้ไหมละคือมันไม่เกิดได้ไหมอ่ามีพอเข้าใจไหมอตัวเราของเราเนี่ยมีเยอะแยะใช่ไมบ้านของเราที่ดินของเราสามีของเราอันนี้มันก็เป็นความเข้าใจผิดเราก็ต้องเลยต้องไปปฏิบัติฝึกกันเนี่ยเพื่อให้เห็นว่ามันไม่ใช่เราของเรานะเอาอันนี้มาใส่แทนเพื่ออะไรก็เพื่อละอันนี้แหละ เพละ น, นี้ต้องไปสังเกตว่าเราปฏิบัติแล้วมันได้ผลไหมอย่างนี้ละคือมันไม่เกิดมันไม่มีละมิจฉาทิฏฐิด้วยสัมมาทิฏฐิละมิจฉาสังกัปปะด้วยสัมมาสังกัปปะละมิจฉาวาจาด้วยสัมมาวาจาละสัมมาละมิจฉากัมมันตะด้วยสัมมากัมมันต์ละมิจฉาอาชีวะด้วยสัมมาอาชีวะ ละมิจชาวายามะด้วยสัมมาวายามะละมิจฉาสติด้วยสัมมาสติเห็นไหมที่เราต้องมาฝึกดูกายเวทนาจิตธรรมต่างๆนี้เพื่ออะไรก็เพื่อจะได้ละมิจฉาสติคือมันไปคิดเรื่องโลกๆคิดเรื่องคนโน้นคนนี้แลกกิเลสมันเกิดนั่นแหละนะเราต้องมาดูกายไว้ดูเวทนาไว้มาพิจารณาเรื่องนี้ไว้เพื่อจะได้ละมิฉาสตินั่นแหละนี่มันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องตรวจสอบตัวเอง นะทีนี้ถ้ามันคิดเรื่องโน้ตเรื่องนี้มาเราก็อย่าไปโทษมันต้องรู้จักมันก่อนต้องรู้จักอ๋อมันก็ธรรมดานั้นมันก็เป็นสัจจะอันนึงเข้าใจแล้วเราก็มาฝึกฝึกเพื่อไม่ให้มันอันนั้นมันเกิดนะค่อยๆทําไปจนถึงละมิจฉาสมาธิด้วยสัมมาสมาธิให้เราจดจ่อไปอีกทางหนึ่งจดจ่อไปทาง ความตรัสรู้จดจ่อไปทางนิพพานไม่ใช่ไปจดจ่อไปที่โน่นนี่นั่นแบบทางโลกโลกที่จะเอาสงบเอานิ่งเอาอะไรต่อต่างนะอย่างนี้นี่เรียกว่าสมาธิที่ถูกต้องไม่อย่างนั้นก็จะเป็นสมาธิที่ไม่ถูกต้องสมาธิที่ไม่ถูกต้องคาว่าถูกต้องคือมันละกิเลสได้ละกิเลสได้คือกิเลสมันไม่เกิดอันนี้เราต้องมาสารวจดูว่าเราทาแล้วมันถูกต้องไหม ถูกต้องคือมันละกิเลสได้มีเท่านี้แหละกิเลสมันไม่เกิดคือมันดับทุกข์ได้คําว่าดับทุกข์คือไม่ทุกไม่เกิดทุกมันเกิดเพราะกิเลสก็คือมันดับกิเลสได้กิเลสไม่เกิดนั่นแหละนะอย่างนี้เวลาท่านทำท่านก็เลยต้องตรวจสอบนะให้ทานถูกต้องไหมถูกต้องคือกิเลสไม่เกิดรักษาศีลถูกต้องไหมถูกต้องคือกิเลสไม่เกิดทําสมาธิถูกต้องไหมถูกต้องคือกิเลสไม่เกิดนี่พอเข้าใจไหมคําว่าถูกถูกเนี่ย แบบนี้แหละจึงจะหมดทุกข์เพราว่าถ้ากิเลสมันยังเกิดอยู่มันก็ยังทุกข์อยู่มันก็เป็นอย่างนี้นะถ้าเรารู้หลักแล้วต่อไปเราก็ค่อยๆทำไปกิเลสก็จะค่อยๆลดลงไปอย่างถูกต้องลดลงคือมันไม่เกิดเกิดน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้ซึ่งวันนี้ผมก็ได้มาพูดวิธีการในการพิจารณาแบบปฏิจจสมุปบาทแบบอิทัปั ญ, ญาตาพูดแบบ แบบย่อๆแบบเชื่อมมาสู่การปฏิบัติไม่ได้เป็นวิชาการมากนะคงพอฟังรู้เรื่องอยู่เนาะอันนี้ก็มีฝ่ายเกิดนะฝ่ายเกิดเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นคําว่าสิ่งนี้สิ่งนี้คืออะไรก็คือเอาองค์ประกอบ12องค์ประกอบที่เชื่อมโยงกันอยู่ในปฏิจจสมุปบาทนี้มาใส่เมื่ออวิชชาอย่างนี้อย่างนี้มีสังขารคือบุญบาปเนี่ยมันจึงมีได้ ฉะนั้นบุญบาปนี้มันจะมีลอยลอยไม่ได้นะมันต้องมีอวิชาก่อนมันต้องไม่รู้ก่อนมันต้องไม่รู้สัจธรรมก่อนนะเพราะบุญบาปสังขารอย่างนี้อย่างนี้มีวิญญาณจึงมีฉะนั้นบุญบาปนี้มันเป็นปัใจจัยให้เกิดวิญญาณเกิดการได้เห็นได้ยินนี่นะนีอย่างนี้ก็ไล่ไปเรื่อยนะส่วนใหญ่อย่างที่พวกเราพิจารณากันบางทีมันไม่ถูกเนี่ยพอไม่ถูกมันจะไม่เกิดปัญญานะต้องพิจาราณาให้ดี บบที่ผมยกตัวอย่างเช่นอ้าวทาบุญทําให้เกิดความสุขบาปทุกข์ไงทำอย่างนี้มันจะไม่เกิดปัญญานะแบบนี้ก็จะได้แบบโลกโลกกันะแต่อยากได้ความสุขก็ทําทบุญก็มันก็ดูดีเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้เราจะพูดระดับสูงมันต้องรู้หลักการให้ดีนะสุขทุกข์นี่มันเกิดจากปัจจะยัจจัเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาความสุขนี่คือเวทนาความทุกข์นี่คือเวทนา ก็เวทนานั่นแหละเป็นผู้เสวยความสุขเวทนานั่นแหละเป็นผู้เสวยความทุกข์เวทนานั่นแหละเป็นผู้เสวยอัตุธรมสุขไม่มีสัตว์บุคคลตัว ต, วตวนอะไรไม่มีเราเป็นผู้เกี่ยวข้องหรอกก็มีเวทนาเป็นเป็นผลมาจากผัสสะนะผัสสะก็เป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไล่ไปเรื่อยนะและที่โดดเด่นก็คือความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่ ทุกจริงๆความแก่ความเจ็บป่วยความตายพวกนี้ก็เป็นทุกก็มาจากความเกิดโสกะปริเทวะปัญหาอะไรต่อมีอะไรต่างๆก็มาจากความเกิดฉะนั้นเกิดมาแล้วเนี่ยจะไม่มีปัญหานี่ไม่มีนะก็เรื่องสัจธรรมเนาะอย่างเงี้ยฉะนั้นทุกท่านเกิดมาก็มีสัจธรรมมาพร้อมหมดทุกสิ่งทุกประการเลยนะน่ะความเป็นจริงสัจจะสามข้อต้นเนี่ยมันมีครบเลยสมบูรณ์เลยทีเดียว ที่เราไม่มีมันเหลืออยู่ข้อเดียวคือไม่มีสัจจะข้อที่สีนะพวกเราก็เลยต้องมาปฏิบัติเนี่ยซึ่งการพิจารณาปฏิจจสมุปบาทนี่ก็คือการเจริญมรรคนั่นแหละเป็นส่วนหนึ่งของมันอย่างนี้นะครับทุกก็มีอยู่แล้วก็คือขันห่านี่ยเห็นไหมสมุทัยก็มีอยู่แล้วคือตันหาก็รักก็ติดก็คล้องอะไรที่ไม่ได้กําหนดรู้ก็ติดไปทั่วนะไม่เคยติดหมาน้อยลองไปเดินดูหมาน้อยดูก็ต้องติดทั้ตัวหนึงอะ เขามีสิบตัวก็ต้องชอบสักอันนึ่งนะต้องมีอะไรที่ชอบจนได้ถ้าไม่ได้กําหนดรอบรู้นะไปห้างสรรพสินค้าเนี่ยถ้ากําหนดรอบรู้ว่าโอ้ยวัตถุสิ่งของต่างๆแค่ปัจจัยบ้านเราก็เต็มด้วยปัจจัยแล้วไม่ต้องเอาอะไรแล้วเดินไปก็เป็นผาตาโอ้ยทาไมมันเยอะแท้อะไรต่อมีอะไรต่างๆแต่ถ้าไม่กําหนดรู้นะไปเดินห้างเดินเล่นเดินเล่นแป๊บเดียวท่านั้นลละเลเนนเละเเเออออาาายกกกดปปันส่่มื็ชจววิิญญณงึงโ กระเป๋านี้มันดีมากเป็นกระเป๋าหนังควายนะเหมาะกับหนังคนมากนะเป็นลิมิเต็ดเอ dition นะวิญญาณเตจเข้าเสิงเป็นไงมันก็เริ่มแล้วโอ้โหเราจะมีความสุขเพราะได้กระเป๋าใบนี้แหละเนอเอาแล้วก็เริ่มไปจับกระเป๋าน่นนี่นั่นดูแล้วนี่เห็นไหมมันเป็นอย่างเนี้ยคือการไม่ได้กําหนดรูเนี่ยมันต้องเกิดตันหาจดได้ร้องก็ได้นะอย่างเนี้บางท่านบอกว่าไม่ต้องร้องรอกร้องเมื่อไหร่เสียงเงินเมื่อนั้นอยู่บ้านดีกว่านะ ก็ต้องบริหาเรเอาเนาะอย่างนี้แต่ถ้ากําหนดรู้แล้วมันก็จบฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกทั้งหมดเนี่ยให้ทางภาษาพระเนี่ยง่ายสุดคือท่านให้พิจารณาว่ามันเป็นแค่ปัจจัยนะไม่ใช่เป็นสัจธรรมหรือว่าไม่ได้เป็นระดับว่าเป็นสาระอะไรเลยนะเงินทองบ้านที่ดินเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มนี่มันเป็นแค่ปัจจัยเลี้ยงกายให้เป็นไปได้ไม่มีสาระในสิ่งเหล่านั้นเลยนะะอย่างนี้ ทำตรงนี้ฉะนั้นถ้าเราไปยังเห็นเงินเห็นอะไรอิสระเหล่านี้ว่าเป็นสาระก็แสดงว่าเห็นผิดจากพระอริยเจ้าไปไกลทีเดียวนะแต่ถ้ามาเห็นศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นสาระเออพอจะใช้ได้แล้วท่นเนียอย่างี้พวกนี้ท่านให้เป็นปัจจัยนะอันนี้ให้เรารู้จักนะครับนี่ฝ่ายเกิดนะฝ่ายเกิดนะส่วนฝ่ายดับฝ่ายดับคำว่าดับดับคือไม่มี คือไม่เกิดขึ้นไม่มีขึ้นกิเลสไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์ไม่เกิดนะเพราะอันนี้ไม่มีอันนี้จึงไม่มีเพราะความดับไปของอันนี้อันนี้จึงดับไปนะก็เริ่มต้นจากเพราะความดับไปโดยการสํารอกนะเพราะความดับโดยไม่เหลืออวิชชานั่นนั่นแหละด้วยวิราคะก็คือดับอวิชชาอวิชชาไม่มีอวิชชาไม่เกิด โดยเอาวิชามาใส่แทนที่สังขารมันก็ไม่มีสิ่งต่างๆมันก็ไม่มีเพราะเงื่อนไขเพราะเหตุมันไม่มีนะอย่างนี้ฉะนั้นสาหรับข้อปฏิบัติของพวกเราถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วก็หลักการมันก็ง่ายนิดเดียวแต่ทำนี้จะยากง่ายอีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่คนแปแต่หลักการเนี่ยพูดในแบบหลักของการปฏิบัติก็คือเราก็ใส่ความชัดเจนมาใส่วิชามาในทุกๆเรื่องที่เราทาแค่นั้นแหละ นะอย่างนี้ถ้าชัดเจนไอสังขารมันก็ไม่มีเห็นหชัดเจนเรื่องทานเนี่ยก็ไม่เกิดบุญขึ้นมาไม่เกิดบาปขึ้นมาแต่เกิดมักขึ้นมาแทนเอาไว้ฆ่ากิเลสเอาไว้เป็นฐานรองรับอริยสัจได้นี่ยอย่างนี้พอเข้าใจไหมมันชัดนะถ้าทำชัดมันก็เป็นคนละข้างไปเลย เ, ยเห็นไนี่อย่างนี้ชีวิตของเราเนี่ก็เกิดมาเหมือนคนอื่นใช้ชีวิตเหมือนคนอื่นพระอริยเจ้าท่านก็อยู่ในโลกเหมือนเรา พบอารมณ์ต่างๆเหมือนเราแต่ว่าท่านไม่เหมือนเราเพราะว่าท่านมีความชัดเจนมีวิชาเนี่ยส่วนพวกเราไม่ชัดทําอะไรก็มั่วไปหมดทำตามท่านด้วยนะบางทีเดินตามหลังท่านทีเดียวนะแต่คนละอันกันพระริยเจ้าท่านนั่งสมาธิอืมพิจารณาขันห้าเป็นทุกทุกสิ่งทุกอย่างท่านเข้าใจชัดเจนมีความชัดเจนในการนั่งพวกเราก็นั่งอย่างท่านเหมือนกันหลับได้บุญเยอะด้วย โอ้โหเห็นไหมเป็นอย่างนี้นะพวกเราก็เลยวนๆอยู่อย่างเนี้ยดีกว่าไม่ได้บุญเนาะก็เลยวนอยู่เทอะงะก็เลย ม, มีอยู่ทั้นี้ดีกว่าไม่ได้เดี๋ยวหนวายนี่แหละก็เลยเป็นอย่างนีน้ฉะนั้นตอนนี้ก็มาพูดระดับสูงหน่อยระดับทีนเหนือขึ้นไปเลยนะตอนนี้นะระดับเหนือดีเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าของเรา ป, ประกาศให้ทุกท่านจําไวแ้แม่นพระพุทธเจ้าของเราไม่ได้ประกาศความดี แต่ประกาศสัจธรรมนั่นเองก็ความดีก็เป็นส่วนหนึ่งของสัจธรรมฉะนั้นจะบอกว่าประกาศความดีก็ได้แต่จริงๆไม่ได้เน้นประกาศความดีนะประกาศสัจธรรมและสัจจะของความดีคือมันไม่เที่ยงและความดีนั้นถ้าเราแจ่มแจ้งในมันก็เอามันมาใช้เป็นมาร์กได้ถ้าไม่แจ่มแจ้งก็เป็นอวิชาเหมือนกันเห็นไหมอวิชาก็เป็นปจัจจัยเกิดบุญได้อีกไงความดีทั้งนั้นแหละแต่ว่าถ้าเราใช้เป็นเราชัดเจนในมันก็ เอามาเป็นกองหนุนได้อะไรได้เป็นปจัจจัยวขาไปอย่างนี้ทาตอง น, นี้นะครับอ่อันนี้นะพูดไปพูดมาก็ก็ได้เวลาอาหารแล้วเนาะนะอย่างนี้นะบางท่านก็โอ้ฟังนึ่งเกือบสองชั่วโมงนี่ก็เกือบเดี่ยงแล้ น, นะนะเดี๋ยวก็พักทานอาหารกันสักชั่วโมงแล้วก็ช่วงบ่ายก็มาฟังแล้วก็คงได้เดินได้อะไรกันบ้างเพราะว่าช่วงเช้าก็พูดนาน นะบางท่านยังไม่ได้มีพิธีกรรมปฏิบัติเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวมอนจะไม่ได้แก่นสาระ ไ, ไแต่พอเวลาให้นั่งที่รก็รับทุกทีแต่ว่ามันสบายใจเนา ะ, ะก็ต้องเอาบ้างนะนะจงตนก็พอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอะนุโมตนาทุกท่านครับ